อันนี้ก็ขอกล่าวถึงเรื่องกรรมกรรมมบทนะ น, นะนี่เราฟังข้อความในอัธสาลีนีนิดหนึ่งคำว่ากรรมข้อความในอัธสาลีนีจิตุปาทักกัมกล่าวว่าจริงอยู่กรรมสามคือกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมถามว่าชื่อว่ากรรมนี้ได้แก่อะไรบ้างกรรมได้แก่อะไรก็บอกว่าได้แก่เจตนาและธรรมะที่สัมพยุ ด, ด้วยเจตนาบางอย่าง บรรดาธรรมะทั้งสองเหล่านั้นความที่เจตนาเป็นกรรมเจตนานี่เป็นกรรมบางแห่งเจตนาเป็นกรรมบางแห่งธรรมะที่สัมปยุติกับเจตนาก็เรียกว่ากรรมเหมือนกันดันั้นคำว่ากรรมนั้นอาจโดยนิย่แห่งพระธรรมแล้วไม่ได้ล็อกถึงเจตนาอย่างเดียวแต่ถ้ากรรมประปัจจัยอันนี้เจตนาอย่างเดียวแต่คําว่ากรรมนั้นไม่ได้หมายความว่าเจตนาอย่างเดียวหมายถึงเจตนาด้วยหมายถึง ธรรมะที่สัมปยุทธ์ด้วยเจตนาคือแยกออกเป็นสองส่วนเดี๋ยวไปเจอที่ไหนเราไปยืนยนันบอกกรรมเจตนาเท่านั้นไม่ได้เท่านั้นไม่ได้บอกกรรมได้แก่เจตนาถ้าตอบอย่างนี้ผิดไหมไม่ผิดแต่อย่าใส่คําว่าเท่านั้นอย่าไปล็อกอย่าไปล็อกเพราะฉะนั้นธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยเจตนาก็เชื่อว่าเป็นกรรมด้วยเดี๋ยวค่อยฟังคําอธิบายต่อไปว่า คำที่ว่าเจตนาเป็นกรรมนี่ก็เหมือนกับทัศสูทั้งหลายที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อน อ, น, อนุนเรากล่าวเจตนาว่าเป็นกรรมบุคคลจงใจแล้วจึงกระทำกรรมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจอันนี้นะพุทธพจน์ที่รับรองว่าเจตนานั้นเป็นกรรมและคำว่าดูก่อน อ, น, อนุนจริงอยู่เมื่อกายมีอยู่ความสุขและทุกข์อันเป็นไปในภายในย่อมเกิดขึ้น เพราะกายสังเจตนาเป็นเหตุแปกว่าเพราะความจงใจทางกายเป็นเหตุดูก่อนอนุนหรือเมื่อวาจามีอยู่ความสุขและทุกข์อันเป็นไปในภายในย่อมเกิดขึ้นเพราะวจีสังเจตนาเป็นเหตุดูก่อนอนุนหรือว่าเมื่อใจมีอยู่ความสุขและทุกข์อันเป็นไปในภายในย่อมเกิดขึ้นเพราะมโนสังเจตนาเป็นเหตุนี้ก็เป็นพุทธพจน์ที่กล่าวถึงว่าเจตนาเป็นตัวกล อีกว่าดูกรที่สุดทั้งหลายกายสังเจตนาสามอย่างเป็นกายกรรมฝ่ายอกุศลมีทุกขเป็นกําไ ร, ร ม, มีทุกขเป็นวิบากวจีสันเจตนาสีอย่างเป็นวัจีกรรมฝ่ายอกุศลมีทุกขเป็นกําไรมีทุกขเป็นวิบากดูกรที่สุดทั้งหลายมนโนสันเจตนาสามอย่างเป็นมนโนกรรมฝ่ายกุศลมีสุขเป็นกรรําไ ร, ร ม, ederim, มีสุขเป็นวิบาก และคําว่าดูก่อนอนนท่าโมฆะบุรุษชื่อว่าสมิธินี้ถูกปาตลิบุตรปริภาชกถามอย่างนี้พึงพยากรอย่างนี้ว่าดูก่อนท่านปาตลิบุตรท่านกระทํากรรมเนื่องด้วยสันเจตนาย่อมเสเวยสุขเนื่องด้วยสุขเวทนาด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจข้อความก็ละท่านก็ย่อมเสเวยรุอทุคขมสุขที่เนื่องด้วยอทุคขมสุขเวทนาดังนี้ดูกรอนอนท์ เมื่อสมิธิโมฆะบุษนั้นพยากรณ์อย่างนี้ชื่อว่าพยากรณ์โดยชอบแก่แก่ปาตลิบุตรปริภาชก ค, ความที่เจตนาเป็นกรรมมีพระสูตรเพียงเท่านี้ก่อนก็คือท่านเอาพุ ท, พทธพจน์ในที่ต่างๆมารับรองว่าคำว่ากรรมนั้นได้แก่เจตนามีตั้งหนึ่งสองสามสี่มีประมาณสี่แห่งในพระไตรปิฎกกันะสี่สิบห้าเล่มเนี่ยคนได้ประมาณสี่แห่งอัทธาสารีนีท่านค้นมาให้นะ ว่าคำว่ากรรมนั้นหมายถึงเจตนาธรรมะที่สัมปยุทธ์ด้วยเจตนาเป็นกรรมท่านแสดงไว้ด้วยกรรมมจัจตุกะเรียกว่าหมวดสีแห่งกรรมธรรมะที่สัมปยุทธ์กับเจตนาชื่อว่าเป็นกรรมตัวอย่างเช่นว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายกรรมสีเหล่านี้เราก็ทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วประกาศ กรรมสี่เป็นชไหนดูก่อนพี่สูตทั้งหลายกรรมดํามีวิบากดําก็มีกรรมขาวมีวิบากขาวก็มีกรรมทั้งดําทั้งขาวมีวิบากทั้งดําทั้งขาวก็มีกรรมไม่ดํำไม่ขาวมีวิบากไม่ดําไม่ขาวย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมก็มีดูก่อนพี่สูตทั้งหลายก็กรรมไม่ดําไม่ขาวมีวิบากไม่ดําไม่ขาวย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมเป็นชไหน สติสัมโพชงธรรมวิจยะสัมโพชงวิริยะสัมโพชงปีติสัมโพชงปสัสสติสัมโพชงสมาธิสัมโพชงอุเบขาสัมโพชงอันโพชงนี้เราเรียกว่ากรรมไม่ดำไม่ขาวมีวิบากไม่ดำไม่ขาวย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมอันนั้นในโพชงเจ็ดมีเจตนาอยู่ด้วยไหมโพชงเจ็ดเนี่ยนะในเจดองค์เนี่ยมีมีคำว่าเจตนาอยู่ด้วยไหมไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยโพชงเจ็ดก็เป็นกรรม แต่แต่อันนี้เขาเรียกว่าคําว่ากรรมนี่มีสองความหมายใช่ไหมหนึ่งหมายถึงตัวเจตนาสองหมายถึงธรรมะที่สัมปยุติกับเจตนาอ่ะตรงนี้เนี่ยอย่างโพุทชงเจตเนี่ยเป็นธรรมะที่สัมปยุติกับเจตนาก็คือพุทธชงนั่นเองเรียกว่าเรียกว่ากรรมเหมือนกันแต่ไม่ได้เป็นตัวเจตนาแต่หมายถึงธรรมะที่สัมปยุติกับเจตนาในขณะพุทธชงเกิดมีเจตนาเกิดร่วมด้วยไหมเกิด mm hmm. แต่ แต่ไม่มุ่งถึงมุ่งถึงพ่อชองพ่อชองที่เป็นไปเพื่อสิ้นกรรมเนี่ยพ่อชองระดับไหน<ม>นะในอริยมรรคโน่นแหละในขณะมัคคจิตน่นแหละเป็นไปเพื่อสิ้นกรรมดูก่อนที่สูทั้งหลายก็กรรมไม่ดำไม่ขาวมีวิบากไม่ดำไม่ขาวย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมเป็นชะไหนดูก่อนที่สูทั้งหลายอริยมรรคมีองค์แปดนี้เท่านั้นสัมมาทิฏฐิจนถึง สัมมาสมาธินะนี้เราเรียกว่ากรรมไม่ดำไม่ขาวมีวิบากไม่ดำไม่ขาวย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมธรรมะสิบห้าอย่างโดยพหชงและองค์มรรคเหล่านี้ทรงแสดงไว้ด้วยกรรมมัจตุกะด้วยประการชนิอันนี้สิบห้าอย่างใช่ไหมพหชงเจ็ดบวกกับอริยมรรคมีองค์แปดเป็นสิบห้ายังไม่พอนะมีอีกอันหนึง่งเทิงทราบธรรมะที่สัมปยุทธ์ด้วยเจตนายี่สิบเอ็ดอย่าง กับธรรมะหกอย่างอีกคืออภิชาพยาบาทมิจฉาทิฐิอนัภิชาอัพยาบาทและสัมมาทิฐิใช่ไหมสิบห้าบวกกับหกเป็นยี่สิบเอ็ดอภิชาพยาบาทมิจฉาทิฐิอนัภิชาอัพยาปาทะและสัมมาทิฐิรวมทั้งหมดเป็นยี่สิบเอ็ดนี้เรียกว่าธรรมที่สัมปยุติกับเจตนาเป็นกรรมเหมือนกันองค์ธรรมอ่ะ องค์ทำคําว่ากรรมเนี่ยตัวแรกหมายถึงเจตนาสองหมายถึงทำที่สัมปยุตกับเจตนาอันนี้เนี่ยยี่สิบเอ็ดอย่างถ้าเราตึกตาคมพีอย่าไปยืนยันที่ไหนสักอย่าง น, นนะเคยเรียนมาอย่างเงี้ยนะก็บอกว่าเป็นการรักษาสัตว์จ่าไว้ไงแต่ไปยืนยันเนี่ยเขาเรียกว่าไม่เชื่อตามรักษาสัตจาในจังกีสูตรกล่าวไว้อย่างนั้นบรรดาธรรมะเหล่านั้นโลกุตระมักเมื่อจะรวมเป็นพวกก็ย่อมรวมกรรมสามอย่างมีกายกรรมเป็นต้น ในขณะโลกุตระมากอ่ะนะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนั่นแหละอันนี้ก็ยกขึ้นมาให้เห็นว่าคำว่ากรรมนี้มีเนยะค่อนข้างกว้างถ้าใช้คำว่ากรรมก็หมายถึงเจตนาและธรรมะที่สัมพยุตกับเจตนาสมมติถ้าหากว่ากายกรรมสามวจจกกรรมสี่เนี่ยกายกรรมสามกับวจีกรรมสี่เนี่ยนะตัวนี้เป็นเจตนาส่วนมโนกรรมสามอนั้นเป็นธรรมะที่สัมพยุตกับ เจตนาหมายถึงหมายถึงธรรมะที่สัมปะยุติกับเจตนาเพราะว่าอะโลพะไม่ใช่เจตนาใช่ไหมหรือว่าโลพะก็ไม่ใช่เจตนาโทสะก็ไม่ใช่เจตนามิชชัทิฐิก็ไม่ใช่เจตนาแต่เป็นธรรมะที่สัมปะยุติกับเจตนาแต่ก็เรียกว่าเป็นเป็นกรรมเป็นกรรมเป็นมโนโกรรมถ้าหากว่าเจตนาเป็นกายกรรมกับเป็นวจีกรรมทวานกรรมมีสามใช่ไหมกายกรรม วจีกรรมและมโนกรรมกายกรรมมีสามวจีกรรมมีสี่มโนกรรมมีสามแสดงว่าตรงนี้เราไม่ได้เรียนนานักขัต t ก i กับกามปัจจัยใช่ไหมแต่เราเรียนกรรมกรรมกรรมทางกายวาจาใจเรียกว่าเรียนกรรมบุตรในกรรมเหล่านี้เนี่ยนะกายกรรมสามวัจีกรรมสี่เนี่ยหมายถึงตัวเจตนา ส่วนมโนกรรมสามหมายถึงธรรมะที่สัมพยุติกับเจตนาแต่เขาเรียกว่ากรรมไหมเป็นเป็นมโนกรรมใช่ไหมกับนา น, าขาขนักข่ากกรรมปัจจัยนั้นอะไปพูดว่าเออกรรมอันนี้ให้ผลเมื่อไหร่ให้ผลยังไงอันนั้นเรียกพูดแบบลักษณะนา น, าขาขนักข่าขกกรรมปัจจัยแต่อันนี้ เ, เรียกว่าล่วงเป็นกายกรรมไหมล่วงเป็นวจีกรรมไหมล่วงเป็นมโนกรรมไหมอันเนี้อ่าคนละไนกันอ่าไม่ได้มุ่งขยายนา น, าขาขนักข่าขกักรรมปัจจัย พอพูดถึงกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมบริบูรณ์แล้วค่อยเอาเจตนาพวกเนี้ยไปวินิจฉัยเรื่องกรรมและผลของกรรมอีกครั้งหนึ่งก็แสดงว่าคำว่ากรรมกรรมเนี่ก็แบ่งเป็นสองอย่างทีครับกรรมที่ให้ให้ผลกรรมที่มีผลนะครับคือตรงนี้นี่คือเทศนาวิราชนะคือนิย่าแห่งเทศนาที่ที่กล่าวเนี่ยเป็นนิย่าแห่งเทสนาใช่ไหม แล้วในย่าอย่างอื่นน่ยคืออะไรครับอ่ในย่าอย่างอื่นก็คืออย่างในย่าตรงๆก็คือกรรมมะปัจใจไงกรรมมะปั จ, จโยติตรงนั้นอ่ะกรรมมะปัจจัยเจตนาแล้วก็ทำที่สัมพยุตกับเจตนาเป็นปัจจัยแก่วิบากกรรมะชะโรหรือว่าเป็นปัจจัยแก่จิตตชะโรเป็นต้นอ่ะพวกนั้นเรียกว่ากรรมมะปัจจัยแต่แต่ตรงนี้เนี่ยกล่าวถึงกายกรรมวจีกรรมและ มโนกรรมซึ่งกําลังเกิดขึ้นเท่านั้นอคือเพียงแต่สําเร็จเป็นไปทางทวารนั้นๆเท่านั้นเจรแต่ไม่ได้หมายถึงว่าตัวกรรมที่จะให้ผลเจริญพรคือยังไม่ได้ขยายในเนเรื่องที่ <ใน S 2> ทํ<ท>า <ำ S 2> สําเร็จไปทางทวาร น, นั้นๆเท่านั้นเจนริญพรกล่าวถึงขณะที่กําลังทํานี้เท่านั้นเองพอทําเสร็จแล้วค่อยเอานานักขาที่นี่ ก, กรร ม, มปัจจัยมาวิจัยอีกครั้งหนึ่งรอบสองอันนี้รอบแรกพูดแค่ว่าลักษณะกายกรรมวิจีกรรมและมโนกรรมทวนอีกครั้งจําได้แล้วนะ กายกรรมมีสามบัจีกรรมมีสี่มนโนกรรมสามกายกรรมวัจจกรรมองค์ธรรมได้แก่เจตนาส่วนมนโนกรรมองค์ธรรมได้แก่ธรรมที่สัมปยุติกับเจตนาหมายถึงอะไรหมายถึงมนโนกรรมถูกต้ององค์ธรรมได้แก่หนึ่งโลภะสองโทสะสามมิจฉาทิฐิสามดวงนี้เรียกว่ามนโนกรรมฝ่ายอากุศล ถือว่าธรรมะที่สัมพยุติกับเจตนาอ่าทีนี้ถ้าฝ่ายกุศลน่ะกายกรรมสามวจีกรรมสี่นั่นแหละเป็นหมายถึงเจตนาที่เป็นกุศลเจตนาแต่มโนกรรมนั้นองค์ทาได้สามคือหนึ่งอนัภิชาองค์ทาได้แก่อโลภาสองอพยาปาทะหมายถึงอโทสะและสามปัญญาหรือสัมมาทิฐิอันนี้ก็เป็นมโนกรรมเป็นมโนกรรม แต่เรียกว่าเป็นธรรมะที่สัมยุญกับเจตนาหั้นเจตนาเนี่ยอยู่ในฝ่ายฝ่ายอโภโพหาริกมีเหมือนไม่มีเขาว่างันไม่พูดถึงเพราะนั้นไอ้ตัวสามตัวเนี่ยเป็นตัวให้ล่วงมโนกรรมเป็นตัวให้ล่วงมโนกรรมคืออะโลพาอะโทสอะโมหะเป็นตัวทําให้ล่วงมโนกรรมฝ่ายกุศลเรียนตอนแรกๆก็นึกว่าเข้าใจไปตั้งเยอะลเลยเนาะออกไปเอามาชักวิจัยแง่มุมต่างๆนี่นก็ชักเอ๊ะยังไงกันแน่ ไม้ก่อนเนี่ยนำมาเนี่ยงอยเลยอ่ะเอาคือเราเอาธรรมะหมวดอื่นๆมาสงเคราะห์มาถามดูะนะ <_ d> um> อย่างถึงธรรมะหมวดน้นก่อเงียบยังหมวดนี้ก่อนเงียบนี่ยังไงกันแน่เนี่ยเอ๊แล้วเราเข้าใจกี่เรื่องกันเนี่ยว่ามขาดความมั่นใจไปเยอะกันนะ <_ d> um> เ, เรารู้อะไรบ้างเนี่ย <_ d> um> ทีนี้เอาใหม่ค่อยๆเอคมภีร์นี้ว่าอย่างไงคำพินั้นว่าอย่างไรค่อย ๆ, ๆว่าไปเฉพาะเรื่องเฉพาะเรื่องเฉพาะเรื่องไป นานๆเข้าเขาก็เรียกว่าผู้รู้เหมือนกันนะเขาเรียกให้อ่ะเขาสมมุติให้ที่จริงก็ยังยังเรียนเหมือนเดิมนั่นแหละคําว่ากายกรรมนี่นะครับสมมุติว่าถ้ากมันเป็นอกุศลนอฝ่ายากุศล น, นะครับถ้าสมมุติว่าปานาธิบาเนี่นฮะเจนพานมันสําเร็จไปทางกายถูกไหมครับเจนพานสเป็นสางกาแล้วตัวที่ให้ผลคือตัวเจตนาอันนั้นพูดโดยนานะขนดที่ ก, ก, กรร ม, มะปัจจัย แ, แต่เราไม่พูดแต่ยังไม่พูดถึงยังไม่พูด พูดแปบกแต่เพียงว่าเขาสําเร็จไปด้วยเขาเป็นกรรมหรือยังเขาเป็นกรรมหรือยังเจนพาเขาถือว่าเป็นกายกรรมหรือยังเป็นวัจีกรรมหรือยังเป็นมโนกรรมหรือยังต้องบอกมันก็ต้องเป็นไปตามนั้นที่ครับแล้วทำไมจะต้องไปสงสัยว่าเป็นหรือไม่เป็นล่ะครับก็ทํากายกรรมเนี่ยทําทุจริตทางวัจีกรรมอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นวัจีกรรมอยู่แล้วครับทีนี้อาจะได้รู้ว่าร่วงกรรมบดหรือยังอ๋อถ้าร่วงกรรมบทหรือยังเท่านั้นใช่ไหมฮะคือเพื่อที่จะได้วิจัยเรื่อง ลึกๆต่อไปอีกว่าล่วงกรรมมาบทไหมถ้าล่วงกรรมบทจะให้ผลให้ผลอย่างไรค่อยๆวินิจฉัยเรื่องอื่นๆอีกเพราะว่าความเข้าใจอันนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการเข้าใจเรื่องนันทคณิกกกรรมปัจจัยชัดขึ้นตรงนี้ถ้าบอกว่ามโนกรรมนะฮะมโนกรรมเนี่ยสมมุติถ้าเป็นเป็นเป็นอภิชานะฮะเป็นโลภะถือว่าโลภะเนี่ยเป็นตัวกรรมเพราะว่ามันมีมันเป็นสัมพยุตกับตัวเจตนาใช่ไหมครับ เขาเรียกว่าเป็นมโนกรรมเป็นมโนกรรมเพัใช่ไหมแต่ว่าก็ไปอิงกั้เจตนานั่นแหละแต่ก็เกิดร่วมกับเจตนาเพราะฉะนั้นไอ้คำว่ากรรมจึงหมายถึงมีความหมายสองในที่ว่า อ, อะก็เกือบเข้าใจครับเกือบเลยนะไม่เป็นไรจําสูตรไว้ก่อนจําสูตรได้แล้วก็วันหลังเดี๋ยวก็คิดออกเองสูตรเขามีว่าทวนอีกครั้งหนึ่งเจตนาทางกายทางวาจาเป็นกรรมกรรมทางกายวาจาหมายถึงเจตนา ส่วนมโนกรรมนั้นได้แก่ฝ่ายไหนอ่ะต้องดูว่าฝ่ายอาคุศนก็ได้แก่โลภะโทสะโมหะเรียกว่ามโนกรรมอะโลภะอะโทสะอะโมหะเรียกว่ามโนกรรมทางทางกุศลนะนะค่อยๆแยกไปแค่นั้นเองสูตรเขามีแค่นั้นอ่ะที่เหลือไปคิดเอาอมีผลต่อการเรียนทังทีต่อไปทีนี้ต่อไปนะว่าเพิ่งทราบวินิจฉัยในบา ป, ปกรรมมีปาณาปิบาตเป็นต้นเนี่ยนะโดยอาการหก ก็คือเอาเรื่องการค่าเนี่ยนะมาวินิจัยโดยหกเรื่องหกกลุ่มก็คือหนึ่งโดยสภาวะโดยสภาพนะสองโดยอารมณ์สามโดยเวทนาสี่โดยมูลห้าโดยกรรมหกโดยผลของกรรมนะถ้าหากว่าคนที่รู้เรื่องปาณาติบาตรดีเนี่ยต้องตอบคําตอบหกข้อนี้ได้ว่าโดยสภาวะเนี่ยนะปาณาติบาตรเป็นอย่างไรโดยอารมณ์เนี่ยปาณาติบาตรมีอะไรเป็นอารมณ์ โดยเวทนาปาน า, าติบัตมีเวทนาเท่าไหร่โดยมูลปาน า, าติบัตมีกี่มูลโดยกรรมปาน า, าติบัตเป็นกรรมอะไรโดยผลของกรรมนั้นปาน า, าติบัตมีผลอย่างไรต้องตอบหกคำตอบนี้ได้ถือว่าเป็นผู้พอรู้เรื่องปาน า, าติบัตดีเอาหนึ่งนะโดยสภาพหรือโดยสภาวะปาน า, าติบัตเป็นต้นแม้ทั้งหมดเป็นสภาพของเจตนาอย่างเดียวคือกายกรรมไหมสภาวะของเขาได้แก่ตัวเจตนา แต่ถ้าเป็นมนโนกรรมสมมติว่าอภิชาอย่างเงี้ยสภาวะของเขาได้แก่โลภะอันคนละสภาวะกันเราเห็นว่าสภาพนี่นะกับสภาวะนี่นะถ้าสภาวะเนี่ยหมายถึงตัวปรมัต ธ, ธรรมหมายถึงตัวปรมัตธรรมนะหรือองค์ธรรมนะนี่คือเจตนาใช่ไหมตแต่เราพอมาใช้คำว่าสภาพเนี่ยคนละเรื่องเลยทีนี้คนไทยใช้คำซึ่งค่อยๆเพี้ยนไปเรื่อยนะเช่นสติอะ สติสัมปชัญญะเนี่ยนะมีสติสัมปชัญญะหน่อยนะอย่างเงี้ยเป็นคำที่พูดเลยไม่ประมาทอย่างเงี้ยใช่ไหมอย่าประมาทนะขับรถดีๆนะอย่าประมาทอันไหนประมาทพองเข้าคืออะไรก็ไม่รู้แต่สมัยก่อนเนี่ยไม่ประมาทก็คือเป็นไปกับกุศลท่านจะต้องมีสติอย่างนั้นจึงเชื่อว่าไม่ประมาทอย่างเช่นสติสัมปชัญญะเขาเข้าใจสัมปชัญญะ7หมวดเลใช่ไหมสมมุติว่าสาธกสัมปชัญญะโคจรสัมปชัญญะสปายสัมปชัญญะ อาซัมโมหะสัมปชัญญะเขาตรึกต่อไปเลยในเราก็สัมปชัญญะเหมือนกันรู้สึกตัวทั่วพร้อมเขาว่างั้นเขาแปลว่ารู้สึกตัวทั่วพร้อมแ ย, แย่เลยคำนั้นแย่มนนากๆเพราะฉะนั้นยพยายามศึกษาให้เข้าถึงอัตถะดั้งเดิมของคํานั้นๆถามว่าเอาอะไรเป็นเครื่องรับรองก็เอาคมภีร์นั่นแหละพระไตรปิฎกอัริย์ฐานีกาท่านให้คําจํากัดความไว้แล้วล่ะทีนี้ทําให้เราเห็นอย่างหนึ่งว่าเวลาเราพูดคําใดคําหนึ่งนะพยายามนึกถึงที่มาให้ได้ นึกถึงว่าไอ้คำที่เราพูดเนี่ยมันพูดเรื่องอะไรแล้วคํำนี้จะไปค้นต่อไปได้ที่ไหนจึงจะไม่เชื่อว่าเป็นการกล่าวตู่ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยพราหมณ์บางท่านเนี่ยเข้าไปถึงว่าออท่านพระโคดมข้าพเจ้าได้ฟังมาอย่างนี้ยที่ว่าเนี่ยเป็นจริงแบบนั้นใช่ไหมข้าพเจ้าไม่อยากจะกล่าวตู่ท่านพระสมณะโคดมนะอยากจะพูดตามธรรมอ่ะที่จริงแล้วมันเป็นยังไงคนสมัยก่อนเนี่ยก็มีหลายคนที่ไปไปทบทวนกับ ถ้าผู้มีพระภาคเจ้าในลักษณะนีนะ้ของเราก็เหมือนกันเวลาเราศึกษาแล้วก็พยายามนึกถึงที่มาให้ได้หลายๆครั้งเนี่ยอ่านเจอเนะี่ยพระนนเวลาจะแสดงธรรมนะขึ้นต้นท่านจะต้องขึ้นต้นในลักษณะนี้ว่าถ้าผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอรหันต์ตัมมาสามพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่านะถ้าพระนนจะแสดงธรรมนะ หลังจากที่พระองค์นิพผ่านแล้วเนี่ยไม่ไม่อยู่ต่อหน้าพระองค์เนี่ยนะจะอ้างเลยสมมุติมีใครมาถามปัญหาปั๊บพระนนจะตอบเลยพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้เป็นพระอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ว่าเขาจะอ้างคําลักษณะนี้ค่อนข้างมากเพราะว่าพระอริยเจ้าในสมัยโบราณเนี่ยท่านเคารพพระพุทธเจ้ามากเขาบอกว่าพระวินัยที่พระองค์ทรงบัญญัติเนี่ยนะ ก็บอกว่าไม่ล่วงละเมิดแม้เพราะเหตุแห่งชีวิตถ้าเป็นพระที่ท่านมีคุณธรรมนั้นน่ะท่านเคารพพระพุทธเจ้ามากจรงิงๆเพราะฉะนั้นพระอริยสมัยก่อนเนี่ยท่านเคร่งครัดมากในการในการใช้พยัญชนะว่าพยัญชนะนั้นน่ะสำนวนไวยากรณ์ของคำภีรกัจจยนะนะกัจจยนะมูลเนี่ยหรือมูลกระจายเนี่ยมีอยู่คําหนึ่งว่าชินะวัจญะยุตตังหิชินะก็คือพระพุทธเจ้าผู้ชนะอ ะ, ะชินะวจนะแปลว่าคําพูดยุตตัง ยุตังเนี่ยแปล ว, ว่าสมควรชินาวัาจะนะยุตตังเหตถ้อยคําต้องสมควรกับพระพุทธพจน์การใช้สัพท์บาลีเนี่ยต้องสอดคล้องกับพุทธพจน์เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าไม่สอดคล้องกับพุทธพจน์คํานั้นตกไปถือว่าใช้ไม่ได้ะถ้าเป็นเป็นสมัยก่อนนี่เขาแข่งครัชเสร็จแล้วเขารักษาศาสานาถึงลูกถึงหลานเราได้นะของเรานี่ถึงหลานหรือเปล่าไม่ทราบสมัยนี้เราบัญญัติขึ้นใหม่เป็นศัพ์แปลกๆแล้วค้นต่อไปไม่ได้เมื่อค้นต่อไปไม่ได้ปั๊บเนี่ย ก็ก็ตันถ้าตันเสร็จแล้วก็ถูกครอบงาทางความคิดแล้วก็ก็ใช้ตามตามกันไปทีนี้ก็เข้ากับกะลา ม, มาสูตรเปี้ยเลยยาเชื่อโดยสืบสืบกันมาเพราะว่าบางคำนี่ไอ้สืบสืบกันมาถ้าดีก็ค่อยยังช่วยหน่อยนะถ้าไม่ดีเนี่ยผิดอย่างสมมตินนะเขาบอกว่าเข้าพรรษาก็เหมือนเขาเอาเอากรสอบมาให้เข้าเย่างเงี้ย น, นะคาพูดพวกนี้บางทีมันมีผลต่อคนสมัยใหม่นะอย่างเขาเรียกว่าครองใหญ่อะไรกย่างี้ยเขาบอกว่าเข้าพรรษาแล้วต้องครองใหญ่นะ โอเอาเสือ่อเอาหมอน อ, อะไรมาหอบมามัดติดกับตัวเคระครองใหญ่อันบางคนเนี่ยมันเป็นคําพูดล้อเลียนใช่ไหเนี่ยคนหลังๆมาเนี่ยก็มาถือๆตามอันมาหรือถ้าอีกจูดหนึงก็เห็นสองบาทอ่ะคือคือนัยวินยันยเนี่ยก็บอกว่าร้าวหกนิ้วเนี่ยนะต้องเปลี่ยนบาทใหม่ได้ทีนี้พระเทระเนี่ยท่านบาด ท, ท่านรา้าวท่านก็ส่องอยู่ทุกวันอ่ะมันราวได้ประมาณกี่นิ้วกี่นิ้ ว, วอ่ะทีนี้พระองค์ต่ อ, ต อ, ตอไปเอออาจารย์เนี่ยท่านใดดีเพราะสองบาทนะมั้งท่นเราก็เลยส่องบ้าง บาทก็ไม่ได้ไป็นอะไรสักหน่อยก็เลยส่องอ่ะก็ดูงไงเป็นยังไงดูก็ไม่เห็นมีอะไรเลยหรืออีกอย่างหนึ่งการสมาทานศีลอะ่ะเขาเรียกว่าคลายไอ้คลายกระเบนอ่ะนะเขาเรียกว่านุ่งโจงกระเบนอ่ะสมัยก่อนใช่ไหมเวลาจะรับศีลเนี่ยก็ว่าให้ศีลมันเข้าก็ต้องปลดกระเบนออกวางกันทีนี้อาที่มันเป็นอย่างนั้นเนี่ยเพราะอะไรเขาบอกว่าคนแรกที่ปลดกระเบนเนี่ยมันนุ่งแล้วมันอึนอดอัดผ้ามันสั้นอะ่ะไอคนอื่นผ้ายาวก็มาเอาตามบ้างอ่ะ เรียกว่าทำแบบสืบสืบกันมาอย่าไปทำแบบนั้นซึ่งต้องพยายามสืบสวนอให้มันดีๆหน่อย <c oughs> นันยุคนี้ค่อนข้างลําบากันนะลักษณะแบบนี้มีมากแต่ลักษณะสืบสืบกันมาอย่างนี้เนี่ยมีค่อนข้างมากเลยซึ่งไม่มีโอกาสได้สอบทานเทียบเพียงเลยว่าคําสอนจริงๆว่าไว้อย่างไรเพราะว่าแสดงว่ายุคนี้เราห่างห่างพระรัตนตรัยมากเรียกว่าห่างพระพุทธเจ้าห่างพระธรรมแล้วก็ห่างพระพระสงฆ์ สองคือครคู่แห่งบุรุษสี่คู่น้าเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษนั่นแหละสองสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าทําไมท่านจึงดีอย่างนั้นทําไมเราจึงเอาท่านเป็นสารณะอันเราต้องพยายามทําความเข้าใจกับคําว่าพระสงฆ์ถ้าเราเข้าใจพระสงฆ์เราจะเข้าใจพระธรรมด้วยถ้าเราเข้าใจพระธรรมจะเข้าใจพระพุทธเจ้าด้วยเราจะเข้าใจพระพุทธศาสนาด้วยแต่ถ้าพระพุทธเจ้าไม่เข้าใจเราจะไม่เข้าใจพระธรรมเลยจะไม่เข้าใจพระสงฆ์เลยเพราะว่า รัตนะสามเนี่ยจะว่าอันเดียวกันก็อันเดียวกันจะว่าต่างก็ต่างเพราะว่าพระรัะตนต์ใจนะมีอยู่โดยจริงแท้โดยสภาวะประมัติ์ผู้ที่มีมรรคผลนี่ก็เป็นปรมัตาธรรมใช่ไหมพระธรรมคําสอนก็กล่าวถึงมรรคผลพระพุทธเจ้าก็คือผู้ได้มรรคผลและชี้เรื่องมรรคผลน่ะเราพยายามสังเกตดูนะกับคําถามที่เคยถามว่าทําไม ปฏิบัติจึงไม่ใช่ทำมังสรารนังฆาชามิทำมังสรารนังฆาชามินะทำมังตัวนั้นตัวเนี้ยหมายถึงหมายถึงอะไรหนึ่งธาตุรปริยัติสองอริยมรรต์สามอริยพรนิพพานทําไมไม่มีคําว่าปฏิบัติอยู่ด้วยในนั้นเลยเอางี้นะถ้าถ้าพวกเราทั้งหลายว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมกันคําว่าสารณะนะหมายเขาว่ายังไงหนึ่งนะเป็นสารณ ะ, ะเพราะกําจัดภัยสองเป็นคติ เป็นเครื่องดําเนินไปในเบื้องหน้าเป็นที่ยึดเหนี่ยวเป็นที่ทําลายทุกขเป็นผู้จัดแจงประโยชน์เกื้อกูลแก่เราทั้งหลายเราทั้งหลายตรัสรู้ตามอย่างนี้อันนี้คือลักษณะของการถึงสารณะเออเนี่ยเนี่ยคือลักษณะของสารณะดังนเราต้องพยายามทบทวนว่าสารณะคืออะไรใช่ไหมถ้าสารณะเข้าใจน้อยเนี่ยนะเราก็ห่างพักรสนะรกลมากเพราะว่า เบื้องต้นของการเข้าถึงผู้ศาสนาคือการถึงไตรสรณคมใช่ไหมในคำภีพระไตรปิฎกเนี่ยนะพระไตรปิฎกมีห้านิกายหนึ่งทีขณิกายสองมัชฌิมนิกายสามสังยุตตนิกายสี่อังคุตระนิกายห้าคุถะกานิกายคุถะกานิกายขึ้นต้นด้วยคำภีร์คุถะปาทะคำภี์คุถะปาทะขึ้นต้นด้วยพุทธังสารานังขจฉ า, ามิสอนเรื่องไตรสรณคมก่อนไตรสรณคมเสร็จสอนศี่ห้า ศีลห้าเสร็จค่อยศีลสิบสา ม, มนเณรปัญหาเป็นต้นไปเขาค่อยจำแนกคำสอนมาเรียบคำพีคุถะกะปาทะนั้นการเข้าถึงไตสรสารณาคมนั้นเป็นเบื้องต้นคำว่าสราระนั้นถ้าเราเข้าใจน้อยเราจะเข้าถึงพระพุทธศาสนาน้อยนะเราจะโทษพระศาสนาไม่ดีไม่ได้เพราะเพราะเราเข้าถึงท่านน้อยเองอนะแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าหากว่าเราไม่ไม่มีความรู้ความเข้าใจเรานี่แหละคือคนที่น่าสงสารที่สุด เพราะฉะนั้นถ้าใครบอกว่าโอ้โหพาะสมบัติเนี่ยเกาะตำราแน่นเลยโอ้โแสดงมันมีสารณะกับเขาแล้วละ่ะไม่เป็นคนป่าคนเถือนเหมือนสมัยก่อนนะโอ้โสมัยก่อนเนี่ยนั่งรับตาเทศได้ทั้งหลายชั่วโมงนะว่าไปเรื่อยนึกอะไรได้ก็ว่าไปดูท่ า, าทําบาปมาเยิ่มกันนะของอรมาเองเนี่ยเพราะว่าที่เรียกว่าเขาเรียกว่านะเขาเรียกกันะนะะเขาไอ้ที่วันนี่คือใครก็ยังไม่รู้ต้นตอของคําพูดเนี่ย เขาว่าเราเป็นนักปฏิบัติเขาว่างั้นเราก็จะพูดเป็นนักปฏิบัติว่าไปด้วยว่าอยู่หลายปีนะนี่แนะจนปิดพระไายวิโดกอยู่หลายปีอ่ะเพราะว่าที่มาบวชนี่ก็เพราะว่าอ่านหนังสือที่เรียกว่าปฏิบัตินั่นแหละนี้เราก็เลยมาศึกษามาเรียนรู้มาแบบนั้นแหละนั่งปฏิบัติแช่น้ําก็เอานะเอาหมดอเนตัดชิก็ลองเขาเอาหมดอ่ะทุดงเราก็ทุดงมือเดียวก็มือเดียว บินบาดได้ยังไงกับฉันย่างงั้นเหรอเอาหมดอะแต่ทีนี้ว่าพอทําเสร็จแล้วนะพอมาศึกษาเข้าจริงๆเอ้ยที่เราทํำนี่มันถูกคําสอนข้อไหนบ้างหาไม่ได้เลยอ่ะพอมาศึกษาเข้าจริงๆเอ้ยเราปฏิบัติตามสูตรไหนได้บ้างเนี่ยหาไม่ได้เลยทีนี้ถ้าหาว่าเราไม่ซื่อสัตย์ต่อคําสอนจริงๆนะเราจะบอกว่าคําสอนใช้ไม่ได้อันไอ้ที่เราปฏิบัติเนี่ยใช้ได้แต่ทีนี้เราก็เห็นความผิดพลาดว่าไอ้สมัยที่ว่าเราปฏิบัติเนี่ยนะ ศีลเรายังรักษาไม่ได้เลยสมัยก่อนเนี่ยที่เียกว่าปฏิบัติเนี่ยโอ้ดูดบุหรี่วันละสอ ง, ส อ, งสองกันนะนะ่นเขาเรียกว่าปฏิบัติแล้วนะแล้วศีลยังเพียงยังรักษาไม่ได้เลยอ่ะจะไปเอาอะไรนักหนาใช่ไหมเราก็คิดว่าโอ้มีความผิดพลาดร้ายแรงขนาดนั้นเลยอ่ะตอนหลังเลยไม่คิดทําำตาอะไรสักอย่างแนะม่งนะรู้สึกว่าพอมาเป็นอย่างนั้นเข้านะพอมาศึกษาธรรมะมากขึ้นนะสงสารตัวเองเลย เริ่มนักศึกษาใหม่ปั๊บเนี่ยนะเราขอศึกษาธรรมะเพื่อชดใช้นี่เก่าที่ปฏิบัติผิดอย่างเดียวนับใหม่นับหนึ่งตลอดเลยนับหนึ่งตลอดแต่ละวันทุกวันนี้ก็ยังถือว่าเพิ่งเหมือนกับความรู้สึกเหมือนกับเพิ่งบวชมันนี้แหละไม่ได้รู้สึกว่าโหเราเนี่ยจับเจนอะไรไม่ไม่คิดอย่างนั้นหนะคิดเหมือนกับบวชใหม่กำลังเรากำลังทำเพื่อชดใช้ของเก่าถ้าหากว่าคำสอนในพระไตรปิฎกถูกไอ้ที่เราเอาทำเนี่ยมันผิดพลาดมากมามากมากกว่าถูกอะมันก็เลยเอาใหม่ ไอ้ที่ผ่านมามันทําแบบไม่มีสารณะว่างนะั้นทำแบบไม่มีที่พึ่งตทีนี้เราก็มาขอเอาสารณะเนี่ยเอาตามพระไตรปิฎกนี่แหละถ้าจะตกนรกก็เพราะตกนรกตามคนที่เขียนพระไตรปิฎกนี่แหละแต่ถ้าจะได้ดีก็ได้ดีตามคนเทพเอาตามพระไตรปิฎกนี่แหละเพราะฉะนั้นเราบอกว่ากอ็ว่าของเราขอศึกษาตามพธธระไตรปิฎกใครว่าอะไรนะชมรมศึกษาพระไตรปิฎกชาวล้านนาะ เพราขอเอาตามพระดายพิดกเลยสมมตินคนอื่นๆเนี่ยตอนนี้เขาจะศึกษาอะไรนะของอาตมาไม่รู้สึกตําหนิเขาเลยแม้แต่นิดเดียวไม่รู้สึกว่าโอ้โหเขาเขาทําไมเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่รู้สึกว่าเราจะตําหนิเขาเลยจะตั้งจิตไว้ว่าเออถ้าเราจะช่วยอะไรเขาได้บ้างเท่า น, นั้นเองที่เหลือเนี่ยนะเข้ามาด้วยบุญของเขาเราเนี่ยไปด้วยกรรมของเรา กายกรรมวจีกรรมที่เราทําประจําวันเนี่ยมีโทษหรือไม่มีโทษถ้าจะให้ผลเนี่ยจะเกิดที่ไหนดีเรียกว่าตอนนี้ค้าบุญค้าบาเปเต็มที่แล้วเป็นพ่อค้าแล้วคากุศลอย่างเดียวเพราะว่าขึ้นต้นของเรานะถ้าเจริญศาสตกาศสามปัญญะประโยชน์ก่อนใช่ไหมประโยชน์ที่ว่าคืออะไรประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าประโยชน์อย่างยิ่งคือนิพพานถ้านะถ้าประโยชน์โลกนี้คืออะไรก็บินทบาทก็พอฉันอยู่แล้วอันนี้เรียกวประโยชน์โลกนี้เสร็จไปแล้วประโยชน์โลกหน้า และประโยชน์อย่างยิ่งทั้นเราได้ประโยชน์อะไรบ้างเพราะฉะนั้นข้อความในเมตสูตรเนี่ยการณียมัถธกุสเลนะยังตังสันตังปะทางอภิสเมเจเนี่ยการณียะเนี่ก็คือกิจนั่นเองอัถฐกุสเลนะการณียะมัถธกุสเลก็คืออัถฐก็คือประโยชน์กุสเลเนี่ยแปลว่าฉลาดกุลบุตรผู้ฉลาดในประโยชน์ปรารถนาเพื่อจะตรัสรู้สันตบทพึงบำเพ็ญไตรสิกขา กุลบุตรนั้นพึงเป็นผู้อาจหารเป็นผู้ตรงซื่อตรงว่า ง, ง่ายอ่อนโยนไม่เย่อหยิ่งสันโดษเลี้ยงง่ายมีกิจน้อยมีความประพฤติเบามีอินทรีย์อันสงบแล้วมีปัญญาเครื่องรักษาตนไม่ขะนองไม่พัวพันในสกุลทั้งหลายและไม่พึงประพฤติทุจริตเล็กน้อยอะไรอะไรซึ่งเป็นเหตุให้ท่านผู้รู้เราอื่นติเตียนได้อันคาสอนว่าไว้อย่างนั้ น, นอันถ้าเรา พลาดเคลื่อนอย่างใดอย่างหนึ่งก็แสดงว่าเราเราเองก็ไม่ได้เคารพในพระผู้มีพระภาคเจ้าถ้าเราคิดอีกในหนึ่งนะถ้าสมมติว่าในสมมนเพศเนี่ยปัจจัยสี่ที่เราบริโภคเพราะพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตเอาไว้ถ้าหากว่าพระองค์ไม่ทรงอนุญาตไว้ว่าเออภิกษุทั้งหลายเธอจงทํานานะอย่างเงี้ยนานหมดเลยนะต้องไปทํานาเหมือนเรานั่นแหละแต่ว่าพระองค์บอกว่าเออส ม, มณนาเขาบิณฑบาตนะอะไรเงรี้ยพระองค์ก็สอนไปตามนั้นทั้น การกล่าวว่าพูดทางสานนาังข้าสามีก็เท่ากับเป็นการมอบกายถวายชีวิตแล้วใช่ไหมว่าการถึงตสรสนนารคมมีกี่อย่างการถึงตสรสนนารค ม, มีสี่อย่างใช่ไหมหนึ่งการมอบกายถวายตนสองความมีพระตระ น, นัตรายเป็นที่ไปในเบื้องหน้าสามการเข้าถึงความเป็นสิทสี่การนอบน้อมอย่างยิ่งแล้วเราเนี่ยอยู่ในข้อไหนหนึ่งในสี่เนี่ยมอบกายถวายตนก็ยกตัวอย่างเช่นใช่ไหมการพลีชีพเพื่อ พระพุทธเจา้าเป็นต้นเราไม่ต้องไปตายแทนพระองค์อะไรหรอกพลีชีพก็คือว่าพระองค์ว่ายังไงก็ทําตามนั่นแหละอันนั้นแหละเรียกว่าพลีชีพแล้วล่ะทําตามที่พระองค์ว่านั่นแหละก็คือการมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระรัตนตรัยใช่ไหมอย่างข้อสองก็คือมีพระรัตนตรัยเป็นเป็นที่ไปในเบื้องหน้าก็คือว่าจะทําอะไรพระพุทธเจ้าท่านว่ายังไงพระธรรมว่ายังไงพระสงฆ์ว่ายังไงขอปฏิบัติตามท่านอ่ะอันนี้เรียกว่า มีพระรัตนตรัยเป็นที่ไปในเบื้องหน้าอ่าถ้าเป็นถ้าเป็นโบราณนะเป็นโบราณนี่เวลาเขาจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเขาจะคล้ายๆพิธีบวงสวงเส้นสวงอะไรเขาจะทำอะไรตั้งไว้ข้างหน้าตอนใช่ไหมเรียกว่ายครูสัก่อนครูว่ายังไงก็ว่าไปตามครูนั่นแหละอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยเราจะทําอะไรพระพรุทธเจ้าว่ายังไงเพราะฉะนั้นประเพณีโบราณเขาเรียกว่าเวลาจะทําอะไรก็นะโมตสสะภควะตัวรหะโตสัมมาสัมพุทธสระนะคนโบราณจริงๆเนี่ยเวลาจะทําอะไรเนี่ย นั่งหน้าโมขึ้นก่อนแต่แดงว่าแบบฟอร์มเนี่ยใช่เลยอ่ะแต่ปฏิบัติไม่รู้นะว่าแบบฟอร์มเนี่ยเขาเอาพรตัตนาตรายเป็นที่ไปในเบื้องหน้าจริงๆนะว่าโบราณเขาทําให้ดีเนือนี่เชนญพา อ, อีสานก็เหมือนกันเหนือห้อต้องมีโมสังโคเี่ยเองติดปากเลยเจนพานั้นเกิดเหตุอะไรเนี่ยเป็นคําอุทานอย่างหนึ่งเชิพาพุทโธทำโมสังโคเนี่ยยาวซะด้วยนะพูดด้วยความเคารพอ่ะนะอ เขาเรียกว่าพวกนี้เนี่ยฝึกลักษณะกรรมนิมิตอารมณ์อ mm ่ะนะพยายามนึกถึงนิมิต ท, ที่ดีเอาไว้อ่ะนะเ mm hmm. พราะว่าเหตุการณ์ขับขันอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยรู้ไหมว่าอาจจะจุติในเหตุการณ์นั้นๆได้ mm hmm. อย่างน้อยที่สุดใช่ไหมใจเนี่ยนึกถึงพระัตนตรายในขณะนั้นก็ไปดี mm hmm. อ่าสมัยก่อนเนี่ยต้นเขาเขาทาไม่ดีมากเลยนะเรื่องกรรมกรรมนิมิตคตินิมิตเนี่ยสมัยก่อนเขาเข้าใจแต่ว่าสมัยนี้ประเพณีอันเดิมเดิมนั้นเนี่ยก็หายไปแล้วค่อยๆเลือนรางอย่างเช่น ความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐเนี่ยก็ตบอกเลยใช่ไหมนี่แหละคือตัวไม่มีโรคอะ่ะแต่ว่าที่จริงแล้วต้นเข้าเดิมคําว่าไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐหมายถึงพันิพานไม่มีโรคคือกิเลสอะ่ะนะผู้ที่ได้เข้าถึงมรรคผลนั่นแหละเรียกว่าไม่มีโรคแต่ว่าตอนหลังอะโรขยาปรมาราพาไว้เปิดร้านขยาที่กล่าวอย่างนี้เนี่ยเพื่อว่าว่าเราเนี่ยมีอะไรเป็นสารณะจริงๆเรามีอะไรเป็นสารณะ เรามีอะไรเป็นที่พึ่งอันในในชีวิตซึ่งในยุคนี้นะการตายเนี่ยมันรู้สึกมันง่ายเหลือเกินเลยจุติเนี่ยง่ายมากหัเราะร้องไห้บ้านยังถล่มเลยอนอนอยู่ยังมีคนมาแกงตึกเลยใช่ล้มคลื่นลงไปขนาดกินเลี้ยงอยู่ในโรงแรมยังไหมยังหล่นหวอบลงมาคอนกรีตยังคาบเลยเหมือนที่โคราชใช่ไหมเหมือนที่หลายๆจังหวัดอยู่ๆไฟไหม้พลึบขึ้นมาถามว่าเอาอะไรแน่นอน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 นับถือพระพุทธศาสนาเราเอาอะไรเป็นหลักมาแ น, เน่เอาอะไรเป็นสาระเอาอะไรเป็นที่พึ่งเอาอะไรเป็นที่ยึดถือวันก่อนไปที่ร้านหนังสื อ, นะอมีหนังสือเล่มหนึ่ง <c oughs> เขา <c oughs> เขาทำภาพของการศึกษาของาศาสนาแต่ละศาสนาเป็นฝรั่งเขาเขียนขึ้นมา <c oughs> เขารวบรวมวิธีการศึกษาของหลา ย, ายาศาสนาทุกๆศาสนาอย่างเช่นอิสลามเป็นต้นเนี่ยนะหรือว่ า, าศาสนาซิกาศาสนาอะไรเนี่ย บางบางแห่งเนี่ยเอาคำพีร์เนี่ยมาตั้งบนต่างทองนะเสร็จแล้วอ่านฉั้นเด็กๆชาวมุสลิมเนี่ยเล็กๆนะพออ่านหนังสือออกเนี่ยทุกคนเนี่ยมีคำภีร์ในมือหมดเขามีคมภีร์ในมือเลยเขามีความรู้ความเข้าใจชัดเจนแต่ว่าพุทธศาสนาของเรานะพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพูดทีคณิกายไว้สามสิบสี่สูตรมัชชิมานีกายไว้ร้อยห้าสิบสองสูตรสังยุตตนิกายเจ็ดพันเจ็ด้อยกว่าสูตรอังคุตรนิกายเก้าพันกว่าสูตร คู่ทักาลนิกายสิบห้าคัมภีร์จำสูตรไหนได้มัง้งจำได้สักสูตรรึเปล่าอิติปิโสภควาเออร์นี่ก็พอมั้งเกืบสูตรหนึ่งละอ่ะอิติปิโสภควานี่ก็ยังไม่รู้อ่าท่านว่าอะไรของท่านใช่ไหมพอเข้าใจเต็มที่ไหมอารหังหมายเพราะว่ายังไงอารหังมีกี่ความหมายนะอรหังเนี่ยส่วนทั่วไปมีห้าความหมายในชั้นรายละเอียดท่านขยายออกมาอีกเป็นห้าก็คือสิบสิบกาความหมายเช่นอรหังคือไกลาจากกิเลสกําจัดค่าศึกคือกิเลส หักซีกรรมแห่งสังสารจักรเป็นผู้ไม่มีบาปในที่รับหรือว่าไม่ทําบาปในที่รับเป็นผู้ควรแก่สการะหรือปัจใจสี่ที่เขานําไปบูชานี่คืออรหังสัมมาสัมพุทโธหมายเขา้าไวายังไงตราสรูุอริยสัจขอบเขตอริยสัจขนาดไหนอะไรเป็นอริยสัจบ้างทุกสมุทัยนิโรธมรรคแล้วมีวิธีการขยายพิสดารขนาดไหนอีกในคําว่าตรัสรูอริยสัจ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 บริสธรรมสารถีพระองค์เนี่ยเป็นผู้ฝึกสารถีที่ควรฝึกพระองค์ฝึกยังไงอันแล้วเราเนี่ยอยู่ในประเภทที่ให้พระพุทธเจ้าฝึกไหมศสัทถาเทวะมนุษย์สานังเป็นครูผู้สอนเทวดาและมนุษย์ท่านสอนอะไรบ้างพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนอะไรบ้างถ้าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ถ้าเราเป็นศิษย์ท่านเราต้องจําคําสอนของท่านได้ท่านสอนประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าประโยชน์อย่างยิ่งประโยชน์ข้อไหน สัตถาเทวมนุษสาวนางพุทโธพุทโธหมายคำ ว, ว่าอย่างไรเชื่อว่าพุทธะเพราะว่าผู้ตรัสรู้สัจจะทั้งสี่หรือว่าคําว่าพุทธะก็คือผู้ปราศจากความหลับคือกิเลสเนี่ยโดยอัฏฐานะแต่โดยพยัญชนะคืออะไรโดยพยัญชนะเนี่ยพระพุทธเจ้าผู้มีพระคุณความดีเกินมูสัตว์ที่คนทั้งหลายรู้จกักกันทั่วแล้วว่าพุทโธหมายเอาพระขันธสันดานที่ทรงอบรมแล้ว ด้วยการบรรลุวิโมกขันยอดเยี่ยมมีพยานในธรรมทั้งมวลที่ไม่มีอะไรขัดขวางได้เป็นนิมิตรหรือการบรรลุสัจจยานมีสัพพัญญุตยานเป็นประทัดฐานนี่คือโดยพยัญชนะของคำว่าพุโทโธความหมายของคาว่าพุโทโธนะหรือว่าโดยความหมายคาว่าพุโทโธก็คืออย่างหนึ่งใช่ไหมโดยพยัญชนะว่าท่านผู้มีความรู้มีความตื่น ปราศจากความหลักคือกิเลสพร้อมทั้งวาสนาโดยส่วนเดียวองค์ละกิเลสละวาสนาได้สิ้นเชิงคือถ้าหากว่าเรามากล่าวอย่างนี้ทําให้เห็นชัดอีกอย่างหนึ่งรู้ไหมว่าใครเจริญพุทธคุณมากนะ <c oughs> เขาบอกว่า <c oughs> ดูก่อนมหานามะอริยาสาวกในธรรมวินัยนี้ตามระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าว่า <c oughs> เป็นอนุสติที่พระพุทธเจ้าสอนธรรมมหานามะ <c oughs> ใช่ไหมอันนะในในกรรมฐาน่ะสอนธรรมมหานามะว่า อริยะสาวกในธรรมวินัยนี้ตามระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าว่าแม้เพราะเหตุนี้แม้เพราะเหตุนี้เป็นต้นอันนี้ก็คือหนึ่งคำว่าพุทโธเอาไปตรึกเอาไปคิดตามไประลึกนึกถึงคุณเหล่านี้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรามีความเข้าใจในในพุทธคุณมากเท่าไหร่เราก็จะเข้าใจในพระพุทธศาสนาเท่านั้นถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยก็ <c oughs> <c oughs> อยู่ใกล้ๆวัด <c oughs> นะในหน้ายี่สิบเอ็ดกล่าวว่าสภาวะหรือสภาพของปานาติบาต แม้ทั้งหมดเป็นเจตนาอย่างเดียวอารมณ์ของปานาติบาตมีสังขารเป็นอารมณ์สังขารในที่นี้หมายถึงชีวิตติณซีนั่นเองชีวิตติณซีก็คือที่ใช้คําว่าสังขารเนี่ยเพื่อที่เป็นคําที่ตรงกันข้ามกับคําว่าสัตว์คําว่าสังขารกับคําว่าสัตว์เนี่ยคนละอย่างเพราะสัตว์นี่เป็นบัญญัติใช่ไหมสังขารเนี่ยหมายถึงความเป็นปรมาสนั่นเองสังขารในที่นี้หมายถึงสังขารธรรมนะ แต่หมายถึงสังขารธรรมนี่ก็ล็อกไว้เฉพาะชีวิตติณซีเท่านั้นเพราะฉะนั้นเวลาจะค่าจริงๆนั้นอะ่ะต้องมีชีวิตเป็นอารมณ์เจตนาที่พรากชีวิตของเขาใช่ไหมให้ชีวิตของเขาเนี่ยตกล่วงไปอะ่ะทีนี้เวทนาของปานติบาตปานติบาตมีเวทนาเป็นทุกขทุกก็คือโทมนัสเวทนาที่ประกอบในโทสะมูลจิตเพราะฉะนั้นในขณะค่านั้นจิตเป็นโทษะโดย ทายเดียวอย่างเดียวเท่านั้นอะ่ะเขาจึงบอกว่าแม้แต่พระราชาเนี่ยนะกล่าวว่าเออเอาไปหลับซะเวทนาขณะนั้นก็เป็นทุกข์นะถ้าเป็นพระราชาสมัยก่อนนี่เขาสั่งข่าใช่ไหมเอาไปหลับซะเอาไปหลับให้สบา ย, ยางนั้นแปลว่าหลับช่วนถ้าใช้คำว่าหลับชั่วการเนี่ยนะจะเป็นสัมมาทิฏฐิข้อไหนคิด ด, ดูนะี่นะอันนันสมมุติว่าเออเราคิดมาอหลับชั่วการเนี่ยนะ เป็นสมาธิฏฐิไหมถ้าใช้คํานี้ถ้าทั่วไปแล้วใช้คํานี้เป็นสมาธิฏฐิไหมถ้าเป็นชั่วการนะถ้าตายเลยเนี่ยเป็นอุเฉททิฐิถ้าใช้บอกว่าไปหลับให้สบายหลับนิรันการเนี่ยนี่เป็นตรกูลอุเฉททิฏฐิเอาตายเลยก็ศูนย์ไปเลยอ่ะเอาก็ตายชั่วนิรันดรก็ก็คือศูนย์นั่นเองตายชั่วนิรันดรก็คือศูนย์แต่ถ้าบอกว่าแเออไปเกิดใหม่ซะไปอย่างเงี้ยเอาไปเกิดในภพดีๆอย่างเงี้ย ก็ไม่แน่นะว่าความเข้าใจอาจจะถูกก็ได้ผิดก็ได้แต่ถ้าสั่งข้าเนี่ยนะถึงจะใช้เพราะเพะนะผมจะส่งคุณไปเทวดานะชักปืนออกมาเลยเอาไหมอย่างนั้นก็ด้วยโทสะมีข้อสงสัยอยู่นิดหนึ่งเนี่ยดูดแล้วก็ข้อสานะครับโดยเวทนาปานาติบาตมีเวทนาเป็นทุกเท่านั้นคือมีโทมนันสเวทนาเท่านั้นเพราะว่าขณะที่ทําทําบาปทางกายกรรมนั้นทําโดยโทสะมูลจิตสองดวง เชจนพาเช่นสมมุติว่าการไปตกปลายเงี้ยพอพอเราตกปลาได้เราก็รู้สึกแหมมันโสมนัสดีใจคล้ายๆอย่างนั้นนะเจนพามันคล้ายๆอย่างนั้นนะลองลองวิเคราะห์ดูนะครับเวลาเราตกปลาได้เนี่ยโทมานะหรือเปล่าแตไม่รู้นะเหมือนแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเราตั้งใจปลานาธิบัาหรือว่าเราเราเป็นตัวโลภะยังนึกไม่ออกกันนะตอนที่ตกปลานีนตั้งใจไปตกปลานี่นะก็ไม่เชิงว่าเขาไปฆ่าปลานะ คือต้องดูว่าอาได้ปลมนเจตนาที่ไปตกเนี่ยเจตนาเพื่ออะไรใช่ไหมคือคิดคิดจะเอาปลามาทําไมบางคนเนี่ยตกเล่นถ้าตกเล่นนะประเภทเบียดเบียนสัตว์อ่ามีโยมคนหนึ่งเขบอกเอถ้าถ้าเรามีบ่อปลานะเราก็มานั่งตกปลาตกเสร็จนะก็ตกทําไมตกเสร็จเสร็จแล้วถ้ามันกินแล้วก็ปล่อยเขาเรียกว่าเบียดเบียนสัตว์อ่าประเภทนี้ประเภทเบียดเบียนสัตว์เจตนาข้าไม่มีแต่ก็ประเภทเบียดเบียนสัตว์ตา แต่ถ้าหากว่าทั่วไปแล้วเนี่ยเช่นคนไปหาปลูหาปลาเนี่ยเหมือนกับไม่ฆ่าแต่เขาคิดว่าเขาเขาจะเอามาต้มมาแกงอะไรพวกนเนี้ยส่วนันก็คือเจตนาฆ่านั่นเองบางคนเนี่ยนะอ่ามีมีโยมกลุ่มหนึ่งเขาเข้าไปล่าล่าพวกชนีล่าอะไรเนี่ยในป่านะทีนี้คนคนหนึ่งเนี่ยเขาชักปืนยิงชนีเลยทีนี้อ่ายิงแล้วมันไม่ตายอะ่ะมันมันมันวิ่งไปหาลูกมันไปอะไรมันอ่ะนะ มันไม่ตายอ่ะมันอยู่ไปห้าพี่สังเวทอ่ะอีกคนหนึ่งเห็นแล้วสงสารจับใจเลยอ่ะทําไงไหมชักปืนมายิงนะจะได้ตายจะได้ไม่ทรมานน้อยๆหน่อ ย, อ ย, อยเขาบอกว่าเขายิงเนี่ยเขายิงด้วยความสงสารเขาบาปไหมอาจารย์เขาว่างนี้คืออีกคนหนึ่งยิงใช่ไหมแต่เขาเขาไปด้วยกันเขาสงสารมากเลยอชนีตัวนั้นอ่ะก็เลยชักปืนมายิงเปรี้ยงเขาตามแล้วก็ถามว่าผมอย่างนี้จะบาปไหมเนี่ยผมยิงด้วยความสงสารนะว่ากัน อันในขณะที่เห็นแล้วสงสารเนี่ยหนึ่งขณะแต่คิดไม่อยากให้อยู่ในสภาพแบบนั้นอีกขณะหนึ่งอันคลนละขณะกันเป็นตอนตอนไปเรียกว่นนากุศลขณะนั้นก็เป็นประตูให้เกิดโทสะในขณะนั้นได้นะโดยปัจจัย <c oughs> คือไอเหตุผลที่เราอ้างกันเนี่ยนะเราไม่เรียกว่าเจตนาอันนั้นคือเหตุผลของการกระทำของเราแต่เจตนาที่เรากำลังคิดทำคิดพูด นั่นแหะเฉพาะหน้าเฉพาะหน้านั่นแ่ะคือเจตนาสมมตินะเขาจะมาตอบปัญหาเนี่ยคือเจตนาในการตั้งใจพูดเนี่ยคือเจตนาทีนี้ว่าเหตุผลเนี่ยคืออะไรอีกเรื่องหนึ่งนะเหตุผลที่พูดพูดกันเนี่ยเอาเป็นประมาณไม่ได้เอาเจตนาเฉพาะหน้าเฉพาะหน้าเป็นประมาณทั้นที่เราเรียกว่าดูเหมือนไม่มีเจตนาก็คือไม่มีเหตุผลมามาอ้างอิงอ่นะหรือจะเอาเหตุผลบางอย่างมาอ้างอิงอย่างเงี้ยคือถ้าวิถีจิตนหะทางตากับทางหูอันเดียวกันไหม ขณะที่มีเสียงเป็นอารมณ์กับมีสีเป็นอารมณ์ก็คนละอย่างขณะที่อยู่ที่ตลาดนี่มันอย่างหนึ่งนะแล้วกว่า จ, จะไปถึงบ้านนี่ชวนาจิตมันเกิดเท่าไหร่ละภาพก็คนละภาพและงานคนละงานสถานที่ก็คนละแห่งเพราะฉะนั้นจึงคนละอารมณ์เมื่อคนละอารมณ์เนี่ยนะเราจะฆ่าโดยว่าเหตุผลใดก็ตามเธอมาโอ้เห็นลูกมาเกิดสมมติ่เรามีลูกไหมลูกเกิดมาพิการโอ้สงสารมัน นะั่งมันเกิดมาจะได้ไม่ลำบากมากมายนะักทำไงมันคนละตอนกันนะอากุศลก็ตอนนึงกุศลก็ตอนนึ่งอั้นคําสอนในายพระพุทธศาสนาเนี่ยจะแยกเป็นขณะดขนาไปไม่เหมาสมมุติว่าเจตนาเบื้องต้นเนี่ยดีแต่วิธีการไม่ดีเพราะว่าเป็นตอนตอนไปไม่ได้เอามาประมวลเป็นเรื่องเดียวกันหมดกุศลอากุศลไม่ได้ประมวลเป็นเรื่องเดียวกันอย่างเช่นค่าว่าในในงานงานเดียวอ่ะ เกิดล้มหมูตัวฆ่าหมูตัวหนึ่งในการฆ่าหมูหนึ่งตัวเนี่ยนะที่ประชุมทั้งหมดเนี่ยบาปไม่เท่ากันบาปอันนั้นของบางคนเนี่ยให้ผลตกนรกบาปอันนั้นของบางคนให้เป็นเปรตบางคนให้เป็นเดรัจฉานบางคนให้มาเป็นมนุษย์ที่อายุสั้นพอะลายพระเจตนานในขณะที่ทำกรรมนั้นนะ่ะน้ำหนักไม่เท่ากันบางคนทำด้วยอาสังขาริกบางคนทำด้วย ส, สังขาริก บางคนก่อนที่ทํานั้นเป็นมิจฉาทิฐิด้วยบางคนหลังทําเป็นมิจฉาทิฐิบางคนในขณะที่กําลังทําอยู่นั้นเนี่ยยินดีเรียกว่ามีฉันทะเป็นใหญ่มากบางคนเนี่ยมีวิริยะเป็นใหญ่บางคนเน่มีการชักชวนบางคนไม่มีการชักชวนนั้นจะไล่เป็นขณะขณะขณะขณะไปไม่ได้กล่าวว่าเหตุผลู้เขาใช้ให้มาฆ่าอย่างเนี้ยนั้นเราเอาเหตุผลอย่างอื่นมาอ้างไม่ได้เพราะเจตนานั้นนั้นก็คือเจตนานั้นๆส่วนในวันก่อนที่กล่าวเรื่องของ โจนขาวแดงใช่ไหมก็จะขาดขาวแดงที่ว่าเออถ้าหากว่าไอ้ที่ฆ่าฆ่าเนี้ยใครใช้ให้ฆ่ามีคนใช้ให้ฆ่าใช่ไหมบอกใช่เออแล้วบาปอยู่ที่ใครก็บอกว่าอยู่ที่คนสั่งสิอันนี้เนี้ยท่านพูดเพื่อให้อุบายเปลี่ยนอารมณ์คิดให้เปลี่ยนความคิดแต่ไม่ใช่ว่าคนฆ่าไม่บาปเพียงแต่ว่าต้องการให้เขาสบายใจเขาจะได้ฟังทำต่อไปได้แค่ว่ามีเทคนิคนิดหน่อยเท่านั้นเองก็เหมือนกับบางคนเนี้ยนะ ไปที่ที่ที่ห้างสปปรรพสินค้าลูกเนี่ยไปเห็นของบางอย่างโอ้หมันร้องไห้จะเอาอะ่ะแม่ที่ฉลาดก็ทํำยังไงลูกโน้นใครอะ่ะพาลูกไปเลยนั่นใครอะ่ะอุ้มลูกไปเลยนะหนีไปเลยลูกก็งงไลยของก็ไม่ได้ใคมันเป็นอย่างนั้นเลยก็คือเบนประเด็นไะตรงนั้นก็เหมือนกันภาษาที่บทเบนประเด็นเรื่องอห้ให้ไปคิดเรื่องอื่นคือจิตเนี่ยนะ จะเศร้ามองหรือไม่เศร้ามองอยู่ที่อารมณ์ด้วยส่วนหนะึ่งแล้วแต่ว่าเราวิตกถึงอะไรถ้าวิตกอีกอย่างหนึ่งปั๊บยิ้มทันทีเลยใช่ไหมสมมติถ้าหากว่าคนใจบุญสนทานนึกถึงทามที่เคยทํามาปับ๊บสบายใจเลยคนนี่นึกถึงบาปที่เคยทํามาปั๊บเนี่ยหน้าเย้แย่ทันทีเลยมันแล้วแต่อารมณ์นะนึกให้ยิ้มก็ยิ้มอะ่ะนึกให้เครียดก็เครียดแล้วแต่เราจะนึกถึงอะไรแลืออีกสูตรหนึ่งไนหะมมีมีพราหมณ์คนหนึ่งเขานิมนต์พระพุทธเจ้าไปฉัน เป็นคนที่ศรัทธาใหม่ๆในผู้ศาสนาเลยเขาก็นิมนต์พระหมดวัดนั่นแหละไปฉันที่บ้านเอ e, พระเนรเนีย่ยก็งงงโยมคนนี้เขาเขามีศรัทธาใหม่ๆนะไม่รู้ว่าจะเลี้ยงอาหารพอพระหรือเปล่าก็ไม่รู้เราบินธบัติฉันกันก่อนดีกว่าก็บินธบัติฉันกันก่อนทีนี้ตอนสาสายหน่อยก็พากันไปที่บ้านคนที่มีศรัทธาใหม่เนี่ยทีนี้พอในขณะที่ไปเนี่ยเวลาเขาเอาอาหารเนี่ยเอามาเยอะเลยพระก็บอกเอาน้อยๆหน่อยน้่ยๆน่ออันนี้นิด อ้ยของมีเยอะท่านเนี่ยฮะไม่ต้องกลัวหมดหรอกนี่ก็ถามบอกไม่ใช่อย่างนั้นละมาเนี่ยบินถบาทฉันมาแล้วเขาบอางั้นโยมเนี่ยกโกรธเลยนะกลัวเราจะไม่มีของพอหรือยังไงคล้ายๆแบบเนี้ยนะเลยบอกว่าขอบาทมาตักของใส่บาทเต็มถวายหมดเลยด้วยความโกรธนะทําด้วยความโกรธเสร็จแล้วเนี่ยก็พอเลี้ยงภาพเบ็ดเสร็จมานั่งทุกข์ใจเอ๊ไอที่เราโกรธทําบาปหรือเปล่านะนั่งเสียใจยก็ไปหาพระพุทธเจ้า เรถามว่าเออที่ข้าพระองค์อย่างนั้นเนี่ยบาปไหมพระเจ้าข่าเป็นอาคุณไหมอะไรไหมพระองค์บอกว่าพระองค์ไม่พูดเลยนะไอ้ที่โกรธหรือไม่โกรธเนี่ยบอกว่าเจตนาที่ทําบุญกับสงฆ์เนี่ยที่มีผลน้อยไม่มีพูดอแค่นั้นนะเสร็จแล้วพามก็สบายใจกลับบ้านไนดะ้แต่ไม่ได้ไอ้โกรธนี่บาปหรือไม่บาปไม่ได้พูดถึงเท่านั้นเองเธอบางคนเนี่ยยังไม่อยู่ในฐานะที่พร้อมจะชี้แจงแต่ถ้าในชั้นของการศึกษาเนี่ยก็ต้องแยกอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นอะไรไปนะเพื่อที่จะให้เข้าใจ แต่ถ้าหากว่าเพื่อจะสนทนาเป็นบางเรื่องก็เบนประเด็นสักโดยที่ไม่พูดถึงเรื่องนั้นเลยการไม่พูดถึงเรื่องหนึ่งเพื่อที่จะให้อีกฝ่ายหนึ่งเกิดกุศลจิตแล้ะ อ, อย่าลืมว่าการศึกษาพระธรรมในในพระศาสนานะพอฟังธรรมจบปุ๊บเห็นแจ้งอาหารสมาทานร่าเริงกลับบ้านยิ้มได้แสดงว่าศึกษาถูกต้องละแต่ถ้าหากว่ากลับบ้านแนละ้วเครียดหนักเก่านี่แสดงว่าผิดพลาดเอ๊ะอยู่ที่บ้านก็มนไม่ได้เครียดขนาดนี้เลยพอมาฟังธรรมแล้วทําไมมันหงุดหงิดกระเ ก, ะ ก, ะกะ่าเครียดกระเก่า แสดงว่าผิดพลาดแล้วล่ะอาจจะผิดพลาดเกิดจากผู้แสดงหนึ่งนะสองผู้ฟังตั้งจิตไว้ไม่ดีก็คือที่เรียกว่าการฟังนั้นก็แล้วแต่ว่าไปฟังที่ใดฟังกับบุคคลใดและบุคคลนั้นนั้นกล่าวเป็นธรรมไหมถ้าหากว่าเขากล่าวเป็นธรรมหมดเลยเสร็จแล้วเราก็ยังอกุศลเกิดอันนี้ก็ช่วยไม่ได้ละใจใครก็ใจใครอ่ะนะรักษาใจคนเดียวนี่ก็ทุกเด็มทีแล้ว ท่านทั้งหลายก็รักษาใจท่านเอากันแล้วกันเดี๋ยวข้าพเจ้าจะรักษาใจข้าพเจ้าเองคือถ้าคิดแล้วเศร้าหมองนะอย่าคิดแต่แต่บางคนเนี่ยนะเขาเวลาเขาประมาทปับเมื่อไหลเขาจะนึกถึงบาปของเขาเขาจะได้รีบทํากุศลคือการคิดในเรื่องเดียวเนี่ยนะแล้วแต่ใครคิดอ่าบางคนเนี่ยนะคิดแล้วเศร้าหมองไม่เป็นอันท brother, ําอะไรสักอย่างเลยนะเศร้าหมองถ้าอย่างนี้อย่าไปคิดพยายามคิดที่มันดีๆเข้าไว้แต่อีกคนหนึ่งโอ้ขี้เกียจเหลือเกินอย่างเนี้ย คิดเรื่องนั้นปั๊บกลัวอะใช่ไหมกลัวก็จะได้รีบทำกุศลอันในภาพเหตุการณ์เดียวกันเนี่ยแล้วแต่แล้วแต่บุคคลใดอันถ้าผู้มีประภาคแสดงไว้ในพระสูตรที่ควรเสพและไม่ควรเสพ น, นะว่าอารมณ์ใดนะรูปใดที่ที่เห็นแล้วกุศลเจริญเอาอันนั้นเป็นหลักอะไรที่เห็นแล้วกุศลเจริญควรเห็นอะไรที่เห็นแล้วกุศลไม่เจริญไม่ควรเห็น เสียงที่ได้ยินเหมือนการถ้าฟังแล้วกุศลเจริญควรฟังฟังแล้วกุศลไม่เจริญก็ไม่ควรฟังถ้าหากว่าคิดถึงการฆ่าการอะไรเป็นต้นเรียกว่าธรรมรมนะนึกถึงเจตนาที่เป็นอกุศลนั่นะถ้านึกอกุศลเจตนานั้นแล้วกุศลเจริญก็ควรคว ร, ควรคือนึกคือบางคนเนี่ยนะพระสมมตินนะเ ป, เป็นเป็นพระเนี่ยบางองค์เนี่ยคล้ายๆกับว่ามันขี้เกียจแล้วนะปล่อยวันปล่อยคืนให้ล่วงไปอย่างเงี้ย ถ้านึกถึงบาประกรรมบางอย่างที่ท่านทําไหมปั๊บมันก็คล้ายๆกับทํางานนะคนทํางานพอทำไประยะมันก็เหนื่อยใช่ไหมแต่พอนึกถึงให้ไปกู้เข้ามาเนี่ยเขาจะเรียกคืนอีกไม่กี่วันเนี่ยแรงใหญ่เลยอย่างเงี้ยคล้ายๆแบบนั้นอนะ่ะมันแล้วแต่ใครในอารมณ์เดียวกันนั้นอนะ่ะแล้วแต่ใครฉลาดคิดแล้วแต่ใครมีโยนิสโสว่าเอาอารมณ์นั้นเนี่ยเพื่อที่จะเป็นสะพานอะไรต่อไปอีกเขาธรรมชาติของจิตหยุดนิ่งแค่อารมณ์นั้นได้ไหมไม่ได้ แล้วเราน้อมจิตของเราเนี่ยเมื่อได้รับอารมณ์นั้นเพื่ออะไรต่อไปเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าการเจริญกุศลธรรมในศาสนาเพื่อกุศลธรรมสูงสขึ้นไปคิดในอารมณ์อะไรก็ตามเพื่อที่จะพัฒนากุศลจิตให้มากขึ้นเห็นในอารมณ์เดียวเนี่ทําอย่างไรกุศลจิตจึงจะมากขึ้นเมื่อก่อนถ้าอารมณ์เดียวนะเห็นแล้วก็ฉลาดเท่าเก่าเนี่ยแสดงว่าเราไม่ได้พัฒนาขึ้นเลยสติปัญญาไม่พัฒนาขึ้นเลยเพราะฉะั้นเห็นในอารมณ์เดียวเนี่ยนะ ว่าเรามีความเข้าใจอะไรเพิ่มขึ้นบ้างในอารมณ์นั้นถ้าสมมติเราดูแขนเราเนี่ยเรามีความรู้อะไรเพิ่มขึ้นบ้างวันนี้นเห็นแขนของเราอย่างเดียวเนี่ยถ้าหากว่าไม่มีอะไรเพิ่มขึ้นเลยแสดงว่าล้าหลังแล้กุศลเนี่ยตั้งอยู่เหมือนเสาระเนียรไหมไม่ตั้งนะถ้ากุศลไม่เกิดอะไรเกิดอกุศลถ้าความรู้ไม่เกิดอะไรเกิดวิชาเกิดพะ <laughs> ถ้าไม่เจริญกุศลพอกพูนขึ้นเรื่อยๆนะ อาวิชาจะได้ช่องตลอดเลยอวิชาก็จะเกิดในอารมณ์ที่หลากหลายมากเมื่ออวิชาเนี่ยมันเกิดบ่อยๆปุ๊บเสร็จแล้วคนพออากุศลวิบากมันให้ผลเสร็จร้องหากุศลแต่แต่อากุศลที่ทําไว้นะกลบเกลื่อนหมดทําไม่ลืมอ่ะร้องหาแต่ผลแห่งกุศลที่เรียกว่าขาดความยุติธรรมใช่ไหมกรรมมศกตาไม่ดีพอเพรา ะ, ะนั้นถ้าเราศึกษาเรื่องตามปั๊บเราจะเริ่มยุติธรรมที่เรียกว่าให้ความเป็นธรรมกับทุกๆอารมณ์เลย อันนี้แหละเขาเรียกว่าตั้งจิตไว้ชอบที่จะรู้ว่ากายกรรมอันนี้มีโทษหรือไม่มีโทษถ้ามีโทษก็ต้องบอกว่ามันมีโทษเราจะไปบอกว่าไม่มีโทษอันนั้นเป็นมิจฉาทิถิอย่างหนึง่งวจีกรรมที่มีโทษเราไปบอกว่ามันไม่มีโทษนั่นก็เป็นมิจฉาทิถิอีกอย่างหนึง่งชื่อว่าอันนั้นไม่มีผลแต่จริงๆมีผลใช่ไหมคําสอนกล่าวว่ามีผลถ้าหากว่าความเชื่อมั่นเราลดลงไปปุ๊บหันกลับไปคืนสารณะของเราว่า สารณะเราว่าอย่างไรพระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่าอย่างไรในเรื่องนั้นนั้นแล้วก็ตรึกตามธรรมที่พระองค์ทรงแสดงนั่นแหละในอย่างหนึ่งนะพระธรรมแสดงไว้เยอะแยะนะอ่านเรื่องนี้กุศนไม่เจริญก็ไปอ่านอีกเรื่องหนึ่งเพราะพระองค์เนี่ยปรุงยาไว้หลากหลายแต่ถ้าฟังแล้วกุศลไม่เจริญเนี่ยแสดงว่าขนาดกินยาแล้วก็โรคมันยังกำเริบเลยนะะถ้าเป็นคนไายนะศึกษาพระธรรมแล้วโรคมันกำเริบก็เหมือนกับกินยาแล้วไข้มันขึ้นอะ แสดงว่าป่วยมากแล้วป่วยอย่างงีงทําไงปล่อยให้ตายไหมก็ต้องหายาใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยเพื่อที่จะปรับว่าอมันเหมาะสมกับโรคเราไหมการศึกษาพระธรรมในยุคนี้นะพของมาเนี่ยซึ้งในจักรวติสูตรมากชอบคําว่าตอนที่พระองค์จะกล่าวถึงอนาคตเรื่องราวของอนาคตต่อไปเนี่ยนะเหตุการณ์ของโลกจะเป็นอย่างไรอย่างไรต่อไปบ้างเนี่ยนะ ก่อนจะกล่าวสูตรนี้พระ อ, องค์กล่าวว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายเธอทั้งหลายจงมีตนเป็นเกาะจงมีตนเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยจงมีธรรมะเป็นเกาะมีธรรมะเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยพระ อ, องค์บอกว่าให้เอาตนเป็นเกาะนะตนในที่นี้หมายถึงกุศลธรรมที่เป็นโลกิยะและโลกุตระให้เอากุศลธรรมเหล่านั้นเป็นเกาะเอาไว้เสร็จแล้วพระ อ, องค์ก็พูดถึงภายในอนาคตว่ามนุษย์ยุคต่อๆไปจะอายุสั้น จนถึงเรียกว่ายุคมิขสรรัตรียมิขะหรือมรึกแปลว่าเนื้อคนยุคต่อไปเนี่ยจะเห็นกันเหมือนกับเนื้อนะเหมือนกับนายพรานผู้ไปหาปลามีใจสงสารปลาไหมไม่มีคนในยุคต่อไปจะเหมือนกันจะมองทุกคนเป็นเหยื่อซึ่งกันแล้วกันอันความเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกไม่มีทักอย่างสมัยนี้ถ้าหากว่าใครที่มีความกะตัญยูกะตะเวทีได้รับการสรรเสริญ พอไปอยู่ในยุคหน้าเนี่ยใครทําลายพ่อแม่เท่าไหร่จะได้รับเกียรติแทบจะให้โล่เลยนะใครฆ่าพ่อแม่ได้เนี่ก็ถือว่าแทบจะให้โล่กันเลยอันคนเนี่ยเขาบอกว่าแม้แต่คําว่ากุศลยังไม่ได้ยินไม่ต้องพูดถึงการทํากุศลอันคนในยุคต่อๆไปเนี่ยจะวิบัติเสร็จแล้วพระองค์ก็มาสรุปนะเพราะฉะนั้นพระองค์บอกว่าจงมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งอันภัยเนี่ยจะมีมาเรื่อยๆจะคริ่ความมาเรื่อยๆอัน คำสอนแม้แต่ตพุทธพจน์บทสุดท้ายก่อนที่จะดับขันปริยนิพพานก็บอกว่าอย่าประมาทใช่ไหมในคาถาธรรมบทบอกว่าคนที่ประมาทคือคนที่ตายแล้วเพราะชีวิตอยู่แค่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกทีนี้ถ้าเราเป็นคนเหมือนตายแล้วนี่เราก็เป็นเหมือนกับศพเดินได้แล้วชีวิตของเราอะ่ะแล้วเราไปร้องเรียกหาความยุติธรรมที่ไหนถ้ า, ากุศลให้ผลนะอย่าร้องเรียกว่าคิดว่าคนอื่นจะกรุณาเราเลยถ้ า, ากุศลมันให้ผลจริงๆนะ ก็เรว่าไม่ต้องร้องเรียกหาการุณาเจตสิกจากสัตว์ทั่วไปเพราะว่าอากุศลมันให้ผลจริงๆปั๊บเนี่ยนะใครเห็นจะรังเกียจหมดเลยเขาบอกว่าถ้าบาปมันให้ผลนะไอ้ที่รักก็ชั่งไอ้ที่หายก็ป่วยมันก็เรียกว่าผีซ้ำด้าพลอยมีแต่วิบัติมีแต่จมจมจมจ ม, จมไปเรื่อยเร่อเรืรืยเแต่ถ้าหาว่าประโยชน์ค่าวิบัติ ด, ด้วยไปกันใหญ่เลยถ้าประโยชน์ค่าวิบัติคือกายะประโยค่ที่เป็นบาปวิจีประโยค่าที่เป็นบาป มโนประโยค่าที่เป็นบาปนี่ก็อันชีวิตเนี่ยดูจะไปตามกรรมจริงๆพะฉะนั้นตรงนี้ใครรับผิดชอบชีวิตของเราใครรับผิดชอบชีวิตของเราเพราะในสังสารวัตรจริงๆเนี่ยเราเดินทางแต่เพียงผู้เดียวมีเพื่อนสนิทอยู่คนเดียวคือตันหาถ้าเพื่อนเราบอกอะไรทําหมดอ่ะตันหาบอกอันนี้นะนีะ่ยเขาเรียกว่าตันหามีลักษณะอย่างกระซิบไงรอบบูรุษเนี่ยมีตันหาเป็นเพื่อนสองท่องเที่ยวไปในสังสาระ ท่องเที่ยวทำกรรมท่องเที่ยวรับวิบากอันวิบากที่รับเนีย่ยส่วนหนึ่งมาจากเพื่อนนะบอกให้ทําอ่ะอันวิบากกรรมชารุปเนี่ยมีตันหาเป็นสมุ ท, ทยัยมีตันหาเป็นปัจจัยมีตันหาเป็นนิทานเพราะวิบากกรรมชรุปเกิดขึ้นนะซึ่งเป็นผลของตันหาอาศัยวิบากกรรมชรุปทาให้เกิดตันหาใหม่อีก <S <S เพื่อพบใหม่ <S <S เพื่อพบใหม่อันผู้ที่สิ้นตันหาจึงสิ้นชาติสิน้นภพชาติสิ้นแล้ว พระมรจันอยู่จบแล้วก็คือผู้ที่สิ้นตัณหาในอารมณ์แต่ทีนี้ผู้ที่จะสิ้นตัณหาในอารมณ์นั้นคนนั้นจะต้องรู้จักอารมณ์นั้นๆเป็นอย่างดีนะรู้จักอารมณ์รู้รู้จักอารมณ์นี่รู้อย่างไรรู้ด้วยปริญญาสามในอารมณ์เดียวนั้นนะรู้จักอารมณ์เหล่านั้นนั้นด้วยปริญญาสามรอบรู้ในทุกๆอารมณ์เรียกว่ารอบรู้แล้วกุศลจิตพัฒนาขึ้นจนถึงกับถ้ารู้ความจริงของอารมณ์แล้วก็ ไม่ถือมั่นในอารมณ์ไม่มีอุปาทานในอารมณ์นะไม่ถือมั่นในอารมณ์ก็คือไม่มีอุปาทานในอารมณ์ไม่มีที่ถูกปาทานไม่มีกามุปาทานในอารมณ์นั้นๆก็คือมองเห็นสภาพของอารมณ์นั้นตามความเป็นจริงสภาพของอารมณ์เหล่านั้นเป็นอย่างไรความจริงของอารมณ์คือสมมติรูปอารมณ์ความจริงของเขาเป็นอย่างไรเขาเป็นรูปชนิดหนึ่งเป็นรูปอารมณ์เป็นสีสีที่มี มีมหาภูตรูปสี่เป็นเหตุใกล้ที่อยู่ในขณนะนั้นนะแล้วมหาภูตรูปสี่เหล่านั้นนั้นมีอะไรเป็นสมุทฐานกรรมจิตอุตุและอาหารเป็นต้นเป็นสมุทฐานทีนี้ในอารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยรูปารมณ์เหล่านี้เป็นอารมณปัจจัยของจกักขูวิญญาณเป็นปัจจัยของขันเป็นปัจจัยของนามขันนี้ก็พิจารณาโดยปริญญาเป็นต้นต่อไป ว่าพิจารณาโดยปริญญาเนี่ยจะพิจารณาอย่างไรและพิจารณาสีโดยสัจจะเนี่ยจะพิจารณาอย่างไรอย่างไรจึงชื่อว่าเป็นธรรมวิจัยธรรมวิจัยโพชังโคสติสั่งคาโตธรมมนางวิจโยตถาเป็นการวิจัยในอารมณ์นั้นๆอย่างละเอียดละออถีท่วนอันวิจัยรู้อารมณ์ความเป็นจริงเนี่ยขณะที่วิจัยปั๊บขณะนั้นจะละสกายทิฐิในรูปอารมณ์นั้นได้เสร็จแล้ว จะละความสำคัญผิดในเรื่องเหตุปัจจัยของรูปถ้ารู้ปัจจัยของรูปปารมณจจริงๆจะละความสงสัยสิบหกอย่างได้นะละความสงสัยในอดีตในอนาคตนะในปัจจุบันละความสงสัยในปฏิจจสมุปบาทละความสงสัยในพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นต้นด้วยทีนี้จนเมื่อพิจารณาปัจจัยมากๆเข้าแล้วเห็นความไม่เป็นสาระของรูปนั้นๆ คำว่าไม่เป็นสาระก็คือไม่มีนิจจสาระอยู่ในสีไม่มีสุขาสาระในสีไม่มีอตตะสาระในสีสิ่งเหล่านี้เมื่อไม่มีสาระแล้วก็เป็นธรรมะที่ถูกปัจจัยประชุมขึ้นปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งวิบัติไปสิ่งนั้นก็อยู่สภาพเดิมไม่ได้เหมือนกับน้ำแข็งใช่ไหมน้ำแข็งเนี่ยรักษาอุณภูมิไม่ได้ละลายรูปเหล่านี้ของเราก็เหมือนกัน ในรูปอารมณ์ต่างๆถ้าปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งเสียหายปั๊บพร้อมที่จะแปรสภาพเหมือนกับก้อนน้ําแข็งเลยถ้ารักษาโด้วยปัจจัยสมบูรณ์แบบก็จะหล่อเลี้ยงได้อีกนานแต่ถ้าปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งวิบัติปั๊บรูปนี้มีปัญหาทันทีเลยถ้าอาหารมีปัญหาสีมีปัญหาด้วยถ้าจิตมีปัญหาสีมีปัญหาถ้ากรรมมีปัญหาสีก็มีปัญหาด้วยมันก็เป็นไปตามปัจจัยมันเขาจึงเรียกว่าสังคตาธรรม เป็นธรรมะที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาเป็นธรรมะที่มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาไม่มั่นคงในหน้ายี่สิบเอ็ดกล่าวถึงวินิจฉัยลักษณะของปาณาติบาตโดยอาการหกอย่างซึ่งปานาติบาตนั้นโดยสภาวะหรือโดยสภาพของเขาได้แก่เจตนาเจตสิกนะเจตนาที่คิดฆ่า โดยอารมณ์ของปาณาติบาตนั้นมีชีวิตติณรีเป็นอารมณ์เวทนาในขณะที่ทำปาณาติบาตเป็นทุกขเวทนาก็คือโทสานั่นเองอันจิตที่ฆ่านั้นจะต้องเป็นจิตชนิดโทสักอันขณะฆ่าไม่ใช่โลภะขณะฆ่าไม่ใช่โมหมูลจิตไม่ใช่โลภะมูลจิตแต่โลภะมูลจิตเป็นอุปนิสัยให้ฆ่าได้ โมหะมูลจิตเป็นอุปนิสัยให้ฆ่าได้แต่ในขณะฆ่าสภาพจิตขณะนั้นเป็นโทสะอย่างเดียวที่นี้มูลแห่งการฆ่าปานาติบาตมีมูลสองนะรากเง่าแห่งความคิดในขณะฆ่ามีสองคือโทสะมูลกับโมหะมูลในขณะนั้นเนี่ยเหตุตปัจจัยของของปานาติบาตได้แก่โทสะกับโมหะใช่ไหมที่จริงลักษณะวิเคราะห์บแบบนี้นะ ถ้าผู้ที่เรียนปัจจัยมาสบายเลยเป็นการพูดถึงสัมปยุตรธรรมหรือสหาชาตชาติโดยสภาวะนั้นของปานาธิบาทได้แก่เจตนาใช่ไหมเท่ากับเรียนนานัขัคณิก ก, กรรมะแต่ว่าล็อกเวทนานี้เป็นตัวล็อกว่าไม่ใช่จิต ด, ดวงอื่นนะหมายถึงโทสะอย่างเดียวอันก็คือเรียนสหชาตชาติอารัมมณชาติเสร็จแล้วโดยกรรมกรรมของปานาติบาท เป็นกายกรรมตัวกรรมเป็นกายกรรมแต่ทวารแห่งการฆ่ามีอยู่มีเท่าไรมีสองคือกายกับวจีกายกับวจีเนี่ยนะคือทวารแห่งการฆ่าในหน้าหน้าสิบเก้าเนี่ยนะถ้าหากว่ารู้ว่าเอ๊ะท่านเอามาจากไหนก็คือหน้าสิบเก้านั่นเองกล่าวถึงเห็นไหมกายวาจีทวารานังอะตรงนั้นแหละ เป็นตัวล็อกว่าปานาทิบาตนั้นล่วงมาทางกายถวารและวัจีทวารทางวัจีทวานนี้นอกจากจะสั่งให้เขาไปฆ่าแล้วเนี่ยยังจะมีวิธีไหนบ้างครับที่ฆ่าด้วยวาจาเนี่ครับก็พูดให้เขาช็อกตายอย่างนี้คือถ้าเรารู้ว่าเราพูดคํานี้ปั๊บเนี่ยเขาต้องตายเนี่ยเราพูดคําเนี้ประสงค์ให้ตายทีนี้ต่อไปนะว่าผลของปานอ า, าทิบาต ผลนั้นนี่ก็คือผลที่ทุกคนไม่ปรารถนานะแต่ก็เหตุทำไมแล้วทำไงได้โดยผลนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดังนี้ว่า<ม>ดูก่อนมานพนี้ข้อความนายจุลกัมมวิพังกสูตรนะว่าดูก่อนมานพบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามเป็นผู้มักทาชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงเป็นคนเหี้ยมโหดมีมือเปื้อนเลือดหมกมุ่นในการประหัตประหาร ไม่เอนดูในเหล่าสัต์มีชีวิตเขาตายไปจะเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนรกเพราะกรรมนั้นอันเขาให้พรั่งพร้อมสมาทานเอาไว้อย่างนี้หากตายไปไม่เข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนรกถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ณะที่ใดๆในภายหลังจะเป็นคนมีอายุสั้นผลของเขาตรงๆเลยเนี่ยนะคือให้ไปสู่อบายเศษเศษก็คือ เป็นอุปคาตกรรมเป็นกรรมที่มาตัดรอนชีวิตให้อายุสั้นบางคนเนี่ยนะปฏิสนธิได้อาทิตย์เดียวก็จุติละบางคนก็ปฏิสนธิได้เดือนสองเดือนสามเดือนสี่เดือนก็จุติแล้วบางคนก็กําลังคลอดก็จุติแล้วบางคนก็ปีสองปีสาม ป, สามปีสีปีบางคนก็หลายปีหน่อยส่วนใหญ่ที่อายุสั้นนี้ก็เป็นเศษของ ปาณาติบาตสมมุติถ้าหากว่าไปด่าใครสักคนหนึ่งแล้วถูกฆ่าตายเนี่ยนะบางคนก็บอกว่าไอ้ที่ตายนี่ตายเพราะปัจอนนี้คือเหตุใกล้นะประโยชควิบัติในขณะที่ไปพูดไม่ดีเช่นไปดา่ดาด่านักเลงหัวไม้เป็นต้นใช่ไหมเขาก็เลยฆ่าทิ้งเลยอ่าคําพูดอั น, นั้นเนี่ยเป็นประโยชน์ควิบัติแต่ทําไมคนอื่นเขาก็พูดคําเดียวกันทําไมเขาไม่ตายเพราะกรรมประเภทอายุสั้นเขาไม่มี ในคำคำเดียวนั้นเนี่ยนะบางคนฟังแล้วกโกรธโกรดบางคนฟังแล้วก็เฉยเฉยพูดกับบางคนเองนะคาพูดเนี่ยโอ้บางคนฟังเ อ, อ้วพูดดนะีอีกคนฟังเนี่ยหน้าดำหน้าแดงดังนันในเรื่องของคําพูดนั้นบางคนเนี่ยที่มีอุปนิสัยแห่งแห่งปานาติบา ท, ที่เคยทําไว้ในอดีตจะทําให้คิดสั้น อ, อย่างเช่นเด็กบางคนเนี่ยนะพอพออายุมาม า, มากๆหน่อยปั๊บเนี่ยมันจะคิดฆ่าตัวตาย ใครว่าอะไรนิดนี่นนนหน่อยๆปั๊บเนี่ยคิดคิดค่าตัวตายแต่แดงว่าอุปนิสัยประเภทปานาติบาศมันให้ผลเนี่เพราะว่าจิตคิดค่าคนอื่นเนี่ยมีใช่ไหมทั้นความคิดในแนวเนี่ยมันกลับย้อนเข้ามาหาตัวเองได้ทันอย่างในตติยะป ร, ะราชิกกล่าวถึงพระภิกษุที่ท่านเจริญกรรมฐานท่านเจริญกรรมฐานแล้วท่านพอเจริญอาการสามสิบสองมากๆเนี่ยนะ อุปนิสัยเก่าที่ท่านเคยเกิดเป็นนายพรานมาทําให้ท่านคิดฆ่าตัวตายเสร็จแล้วท่านก็เอาบาดจีวรเนี่ยไปจ้างคนคนหนึ่งให้ฆ่านะถ้าหากว่าเธอฆ่าฉันเสร็จเอาบาด เ, เอาจีวรไปสมัยก่อนเกามีรับจ้างนะเอาบาดเอาจีวรเพื่อรับจ้างฆ่าสมัยโน้นโจรกระจอะกันกนะแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยบาดพวกบาดพวกจีวรเนี่ยเป็นของที่หายากมากแล้วก็ทําไมพระพิสุเหล่านั้นจึงยินดีในการตาย ถึงกับให้เขาฆ่าตัวตายเลยนะยอมตายเลยอะ่ะเพราะว่าอุปนิสัยแห่งอดิตชาติที่ท่านเคยเกิดเป็นนายพรานทำให้ท่านคิดฆ่าตัวตายอันเหตุปัจจัยที่อายุสั้นก็คือการฆ่านั่นเองดูก่อนมาน์ปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีอายุสั้นนี้คือเป็นผู้มักทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงเป็นคนเหี้ยมโหดมีมือเปื้อนเลือด หมกมุ่นในการประหัดประหารไม่เอ็นดูในเหล่าสัตว์มีชีวิตฟังบอกคนโหดเหี้ยมเนี่ยนะเราฟัง อ, อืเหมือนกับเหมือนกับพระองค์ุลิมานสมัยที่ยังไม่บวชหรือปล่าบอกเห็นปลาแล้วก็ทุบหัวนั่นแหละเหี้ยมนะขณะนั้นนะ่ะยุงมากัดแล้วตบเพี้ยเข้าไปนะสภาพจิตในขณะนั้นก็ถือว่าเหี้ยมโหดแล้วเพียงแต่ว่าบางคนสีหน้าไม่ดุท่านเองกุศลบางอย่างมาให้ผลเป็นเป็นวสตรีหน้าหน้าชมอ่ะนะ แต่ว่าถ้าสภาพจิตในขณะที่ที่ดุร้ายเป็นโทสะในขณะนั้นนี่จริงๆอะจิตไม่น่าชมแล้วและจิตชนิดนั้นถ้ามันให้ผลน่ยโอ้โหน่ากลัวที่สุดเลยถ้าหากว่าปาณาติบาททำชั่วในพระขีณาศกเนี่ยถึงขั้นปานาติบาทมีโทษมากถึงกับเป็นอนันตริยกรรมทันคนที่เราไปฆ่าเนี่ยแล้วแต่เราจะฆ่าใครถ้าไปฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระหัต์ พวกนี้นี่เป็นอนันตริยกรรมมีโทษมากคำว่าอนันตรียกรรมก็คืออนันตระแปลว่าไม่มีระวังกรรมที่ให้ผลไม่มีระวังแต่ว่าไม่ใช่ทางดีอ่ะนะก็ตายแล้วไม่ต้องไปพบอื่นเลยไม่มีพบอื่นมาขั้นเลยปฏิสนธิในนรกแน่นอนแต่ถ้าสมาธิบางอย่างนะสมาธิมานันตริการยามาหุสมาธิบางอย่างให้ผลไม่มีระหว่างขั้นสมาธิอันนี้ได้แก่ มัคคะสมาธิอริยมัคคสมาธิเนี่ยนะให้ผลไม่มีระหว่างขั้นมัคคจิตนี่ให้ผลไม่มีระหว่างขั้นที่เคยได้ยินสนัมนวนนะว่าอากาลิ ก, กูอากาลิ ก, กูแต่ว่าไอกรรมในฝ่ายชั่วนี่ให้ผล่าไม่มีระหว่างขั้นเนี่ยไม่ใช่ทําปุ๊บให้ปั๊บเลยแต่ว่านานเหมือนกันนะบางคนเนี่ยเจ็ดวันเลยึงจะถูกฆ่าคืนนะบางคนเนี่ยฆ่าพระอรหันต์เนี่ยบางทีก็ภายในเจ็ดวันเขาก็เรียกคืนนะ จับได้ภายในเจ็ดวันอย่างเช่นกลุ่มโจรที่ไปฆ่าพระโมคคัลลานะพระโมคคัลลานะนะท่านก็ก็ถูกฆ่านะพระโมคคัลลานะเนี่ยถูกฆ่าชาติสุดท้ายเนี่ยถูกฆ่าอยู่เกือบร้อยชาติกรรมที่ไปฆ่าอดีตชาติเนี่ยฆ่าพ่อฆ่าแม่ไว้คือคือครั้งหนึ่งเนี่ยในในอดีตชาติโน้นเนี่ย ท่านท่านเป็นคนมีกระตันอยู่นะเป็นคนที่มีนิสัยดีมากเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่จนเป็นหนุ่มใหญ่ทีนี้พ่อแม่ก็ก็ขอร้องให้มีครอบครัวนะเพราะว่ า, าไปทำงานแล้วกลับมาก็ต้องมาดูแลทุกอย่างพ่อแม่ก็เลยอ้อนวอนให้มีครอบครัวทีนี้ตอนหลังก็ก็พ่อแม่ก็หาภรรยาให้พอได้ภรรยาเข้านานๆเข้าใหม่ๆก็นึกถึงพ่อแม่นะพอไปนานๆเข้าก็ลืมลืมพ่อลืมแม่ ก็ชอบภรรยามากกว่าแล้วทีนี้พออยู่กับภรรยานานๆเข้าภรรยาเนี่ยมาถึงก็ทีแรกก็ปรณนิบัติพ่อแม่ดีช่วยปรนนิบัติพ่อแม่สามีดีทีนี้ตอนล่างหลังก็รำคาญาอยู่กับคนสูงอายุนะอายุระเวทกับกุมารระเวศเอาอันไหนหมอเด็กกับหมอผู้ใหญ่เอาไหน <c oughs> <c oughs> เอากุมารเนาะเพราะฉะนั้นคนสูงอายุส่วนใหญ่เนี่ยบางทีก็เป็นที่น่ารำคาญของคนทั่วไปด้วย ถ้าไม่ใช่เลือดเนื้อเชื้อไขกันจริงๆเนี่ยน้อยนักที่จะที่จะเคารพยำเกรงบางคนเนี่ยขนาดเป็นเป็นแม่แท้ๆเป็นพ่อแท้ๆจิตใจของเขาก็ยังเหี่ยมโหดกับพ่อกับแม่ซึ่งในยุคนี้เรียกว่าคนกำพร้าลูกกันเยอะแล้วแก่ๆอายุมากๆหน่อยก็แทบจะอ้อนวอนลูกเอ้ยมาเยี่ยมแม่บ้างเถอะนะบอกยังไม่ว่างเลยแม่ <c ười> คล้ายๆแบบนั้น่ะกาพร้าลูกกันะนะนะนะนะ ทีนี้พออยู่ไปนานๆเข้าเนี่ยภรรยาก็ยุโยงให้ฆ่าฆ่าพ่อแม่ฆ่าพ่อแม่สามีเนี่ยแรกๆก็ไม่เชื่อนะพอไปนานๆเข้ายุบ่อยๆเข้าก็เลยวางแผนฆ่าพ่อฆ่าแม่ก็ชวนไปเที่ยวบ้านญาติว่างั้นพ่อแม่ญาติบ้านโน้นก็อยากเห็นพ่อแม่พ่อแม่ในตาบอดทั้งคู่ก็เลยพาไปพาไปในระหว่างทางก็บอกพ่อแม่พ่อแม่แถวนี้โจรเยอะนะว่างั้นวางแผนหลอกพ่อหลอกแม่โจรเยอะวันพ่อแม่ถือเชือกไว้นะ เดี๋ยวผมจะไปเดินสกัดดูโจรมันจะเป็นยังไงเสร็จแล้วตัวเองนั่นแหละปลอมเป็นโจรมาเลยทำเสียงใหม่เป็นเสียงโจรมาก็ถึงทุกพ่อทุกแม่บนเกวียนนั่นแหละพ่อแม่เนี่ยก็บอกว่าลูกเอ้ยหนีไปพ่อแม่แก่แล้วตายช่างมันเถอะโจรก็ยังไอ้ลูกนั้นก็ยังเหี้ยมโหดน่ะนะก็ฆ่าฆ่าพ่อฆ่าแม่กรรมานั้นท่านก็ตกนรกพออายุมากๆก็ถูกฆ่าอย่างนี้มาลชาติด้วยกัน มาชาติสุดท้ายแม้แต่เป็นพระอัคารสา ว, วกฝ่ายซ้ายท่านก็ยังถูกฆ่าเขาบอกว่าโจนเนี่ยทุบท่านละเอียดจนกระดูกเนี่ยหักเหมือนกับข้าวสารแต่ก็ยังไม่ตายท่านก็ประสานกระดูกไปเข้าฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วจึงจะดับขันปริณิพานนั้นกรรมมันให้ผลแล้วทีนี้ภิกษุทั้งหลายก็บอกวพระโมคคัลลานะเนี่ยปริณิพานไม่สมเลยเขาว่าไงพระพุทธเจ้าบอกสมแล้วสมกับกรรมอ่ะนะ แกว่าดูในตอนนี้ดูเหมือนไม่ยุติธรรมแต่ถ้ามองกรรมในะอดีตไกลๆน้นยุติธรรมมากมาเพระ อ, องค์ก็ไม่ได้ว่าอะไรหร อ, องค์ก็บอกมันก็ยุติธรรมแล้วนะตามหลักกรรมอะ่ะโผพระ อ, องค์ยังปวดศีรษะเลยใช่ไหมกรรมมันไม่เลี้ยงใครแล้วมันไม่นับถือใครนะถ้าเจตนาเหล่านั้นวิบัติไปมีในเรื่องหนึ่งมีบาศกคนหนึ่งมาฟังธรรมฟังธรรมทั้งคืนกลับไปเนี่ยถูกประราชาไปตัดหัวเลย เราก็บอกเฮ้มันไม่ยุติธรรมนี่อย่างงี้ในชะ่ไหมก็บอกว่าอุบาสกคนนี้เนี่ยในอดีตชาติเนี่ยเคยเป็นคนรับส่งคนเนี่ยข้ามป่านะคือในป่าเนี่ยมีโจรชุมพระราชาก็แต่งตั้งให้คนนี้เนี่ยเป็นทหารเนี่ยไปคอยคุมคนข้ามป่าทีนี้วันหนึ่งเนี่ยก็มีมีสามีภรรยานหนุ่มสาวคู่หนึ่งเนี่ยมาก็ช่วงใบใบหน่อยแล้วจะข้ามป่าเจ้าหน้าที่นี่ก็นะเห็นเมียเ้างามอะ่ะ ก็เลยเอย๊ทำยังไงจะเอาเมียเขาก็วางแผนว่าเออเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปก็แล้วกันค่อยข้ามดงวันนี้มันเย็นแล้วข้ามคงไม่ทันหรอกทันหนะ้าเจือไปทีนี้ก็ยังไงก็ไม่ไปตกคืนนั้นก็วางแผนแล้วก็ให้คนนี้เอาแก้วเอาแหวนนี่ยไปซ่อนเอาไว้แล้วก็วางแผนทําเป็นหาแก้วหาแหวนเสร็จก็ไปเจอในห้องเสร็จแล้วก็ฆ่าหัวเขาทิ้องอน่ยนะโทษกรรมมันนั้นเนี่ย ก็ให้ผลไปสู่อาบายพอชาติหลังมาฟังธรรมทั้งคืนกลับบ้านถูกเอาไปตัดคอเลยก็บอกว่าถ้าเหตุใกล้ๆเนี่ยเราก็บอกมันมันไม่ยุติธรรมเลยใช่ไหมฟังธรรมทั้งคืนให้ผลไปไปถูกตัดคอแต่ถ้าหากว่ามองชีวิตอย่างตลอดสายแล้วเนี่ยจะรู้ว่ามันยุติธรรมทีนี้ของธรรมมาเนี่ยแท้กรรมมันยุติธรรมเมื่อไหร่นี่ก็ยุ่งกันนะกบเนี่ยวันหลายกิโลกันนะแต่ทีนี้ว่าในชั้นนี้นะในการศึกษาพระธรรมเนี่ย ในชั้นต้นขาให้เรามีสัมมาทิฏฐิให้มองว่าบาปเป็นบาปมองว่าบุญเป็นบุญส่วนที่เหลือแล้วก็ค่อยๆรักษาใจขึ้นค่อยรักษาใจแล้ววินิจฉัยเรื่องเหตุเรื่องผล เ, เรื่อ ง, รองกรรมและผลของกรรมถ้าหากว่าเรามีความเข้าใจในเรื่องกรรมมากขนาดไหนเข้ายิ่งโอตปะเราก็จะมีมากขึ้นเราจะสํารวมเราจะระวังรักษาความคิดมากขึ้นอะไรควรคิดอะไรไม่ควรคิดแม้แต่คําพูดของเราเราก็จะระวังมากขึ้น แม้แต่กายกรรมของเราก็จะสํารวมระวังมากขึ้นเพราะสิ่งเหล่านี้มีผลเมื่อมีผลเนี่ยพยายามศึกษาให้มันดีศึกษามีกิยางสามอย่างคืออธิศีลสิกขาอาธิจิตตสิกขาและอธิปัญญาสิกขากายกรรมอย่างไรจึงจะเป็นศีลสิกขาวาจีกรรมอย่างไรจึงจะเป็นศีลสิกขามนโนกรรมอย่างไรจึงจะเป็นจิตตสิกขาและ ปัญญาสิกขางั้นพยายามศึกษาสิกขาสามในศาสนานี้เถอะจนองคุริมานย่างค้นทุกได้เลยนะของเราก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นไม่พ้นก็ให้รู้ไปใช่ัหมถ้ามีศรัทธานะแต่ถ้าไม่มีศรัทธาก็อย่างว่าคงไม่พ้นแน่ขอให้มีศรัทธานในอย่างน้อย้ๆที่สุดขอให้มีศรัทธานในสิกขาคําสอนเหล่านั้นว่าคําสอนเหล่านี้เนี่ยเป็นนิยานิกระทั่เป็นคําสอนที่ช่วยให้สัตว์พ้นจากความทุกข์ได้ พระพุทธเจ้าสอนเรื่องทุกสมุทัยนิโรธมรรคก็จริงแต่ไม่ได้สอนให้เจริญทุกแต่ให้สอนเจริญอริยมรรคอริยมรรคมีทุกขเวทนาเกิดร่วมด้วยไหมไม่มีพระองค์สอนเรื่องทุกจริงอยู่แต่สอนให้ทุกควรกําหนดรู้ด้วยปริญญาสามสมุทัยซึ่งเป็นรากเหง้าแห่งทุกเนี่ยสอนให้ละโดยประการทั้งปวงดังนั้นการละก็ละได้ได้ลหลายระดับด้วยกันละด้วย อะไรบ้างละชัน้นต้นก็คือวิขำพรนาประหารตะทางข้าประหารจนถึงละด้วยสมุทเฉทขาประหารการทําให้แจ้งคือนิโรธอันต้องทําให้แจ้งทุกข์กับสมุทัยมากเท่าไหร่ทําให้แจ้งจนถึงที่สุดนั่นแหละจนถึงความไม่เป็นไปแห่งสมุทัยและทุกเชื่อว่านิโรธอันอริยมรตมีองค์แปนั้นก็ควรเจริญพอกพูนอันผู้ที่ตรัสรู้อริยาศาสตร์แล้วเนี่ยถ้าเป็นพระโสดาบันปั๊บ กรรมเหล่านี้นะกรรมที่ให้ผลไปในอบายเนี่ยนะไม่ให้ผลอีกเลยเจตนาชวนะที่จะให้ผลไปเกิดในอบายนะถึงเคยทำมาในอดีตขนาดไหนก็ตามกรรมเหล่านั้นจะไม่ให้ผลเกิดในอบายอีกเลยอบายภูมิเนี่ยถูกปิดแล้วอันอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองแป8ระดับพระโสดาบันเนี่ยนะตัดพบในอบายได้แล้วก็ตัดพบที่แปดเป็นต้นได้ อันเขาจึงเรียกว่าตําไม่ดําไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมอันที่เหลือเนี่ยจะให้แต่กุศลให้ผลอย่างเดียวบาปที่ที่นําปฏิสนธิจะไม่ให้ผลอีกแล้วทีนี้ต่อไปอีกนะว่าพอพระโมคคลลานะเนี่ยถูกฆ่าอย่างนี้แล้วโจรก็ก็ถูกฆ่าคืนตอนหลังพระราชาก็สืบได้ว่าโจรกลุ่มนี้ไปฆ่าเมื่อฆ่าเสร็จโจรกลุ่มนั้นก็ถูกพระราชาเนี่ยฆ่าหมดเปี้ยง สังฆาพระราชาเนี่ยบางทีก็สวยเหมือนกันนะผู้รักษาโลกนะใครเคยฟังพระเตมีใบมั้งเป็นพระราชาอยู่ยี่สิบปีตกนรกเท่าไหร่แปดหมืนปีเองตกนรกแค่แปดหมื่นปีเองนะเป็นพระราชาตั้งยี่สิบปีเลยอ่อเอามั้ไม่ใช่พระเตมีใบเอ่อสังฆาเนี่ยจําที่มาไม่ได้ว่าเรื่องเกิดที่เมืองไหนกษัตริย์เมืองนั้นแหละ เดินผ่อนพระโมคลลานะถูกฆ่าเนี่ยจําไม่ได้ว่าเมืองไหนกษัตริย์เมืองนั้นแหละสังฆ่าพระเจ้าชาติศัตรูนี่ก็สังฆามไม่ใช่น้อยเหมือนกันพระเจ้าประเซ็นนี่ก็ไม่เบาฉะันคนที่กุศ ล, ลวิบากให้ผลเกิดในตระกูลสูงมีโอกาสเป็นใหญ่เป็นโตเมื่อเป็นใหญ่เป็นโตแล้วที่จะไม่เอาไอ้ความเป็นใหญ่เป็นโตเหล่านั้นมาทําบาปทํำอกุศลเนี่ยมีน้อยนะมีน้อยมาก ส่วนใหญ่ก็เอาความเป็นใหญ่เป็นตัวนั้นเนี่ยมานะก็เพิ่มพูนบาปอากุศลธรรมก็เพิ่มพูนมากขึ้นอันผลของบุญขนาดให้ไปเกิดในตระกูลสูงแล้วก็ยังมีมีส่วนอื่นๆนะกิเลสเก่าๆซึ่งเป็นบาปอากุศลที่มีอุปนิสัยที่สะสมไว้ในปางก่อนนี่ก็อุปนิสัยเหล่านั้นได้ปัจจัยพร้อมมันก็เกิดทันทีเลยมานะนี้ถ้ายังไม่ได้เหตุไม่ได้ปัจจัยนี่อย่าคิดว่ามันไม่มี มันยังไม่ได้ปัจจัยเฉยๆฉะนั้นความคิดทุกๆความคิดก็เหมือนกันถ้าได้ปัจจัยปรับความคิดนั้นๆจะเกิดขึ้นแม้แต่ความคิดที่ดีๆนะคือเรียกว่ากุศลความคิดที่เป็นกุศลนั้นถ้าได้ปัจจัยพร้อมลลกุศลจิตก็สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ความคิดที่เป็นบาปเป็นอกุศลก็เหมือนกันถ้าได้ปัจจัยพร้อมเขาก็จะเกิดทีนี้ผู้ที่ศึกษาพระธรรมคำสอนจนถึงบรรลุอริยมักมีองค์แป ถ้าเป็นพระโสดาบันแล้วเนี่ยถึงได้ปัจจัยท่านก็ไม่ฆ่าปาณาติบาตท่านไม่ล่วงอย่างไรท่านก็ไม่ล่วงให้ท่านฆ่าไก่ฆ่าเสร็จจะให้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเลยหรือถ้าท่านไม่ฆ่าเขาจะฆ่าท่านท่านยอมตายเพราะว่าท่านเป็นคนที่มั่นคงในเรื่องกรรมมากศีลห้าเนี่ยเป็นศีลที่แม้แต่อยู่ในภพใดก็ตามศีลของท่านนะศีลห้าของท่านไม่ดังไม่พร้อยไม่ทะลุเป็นศีลที่วินยูชน สาเสินอันพระโสะดาบันนี้เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยด้วยศีลส่วนท่านนาคามีนั้นเป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยสมาธิยังไงฌานท่านไม่เสริมแน่นอนท่านนาคามีเนี่ยฌานไม่เสรอมนะไม่มีกิเลสอะไรที่เป็นเหตุให้ฌานท่านเสริมได้ส่วนผ้าอาหารเนี่ยไม่มีเสริมแค่อย่างเลยเป็นผู้คงที่ในที่ทุกสถานไม่ฟูไม่ยุบไม่ฟูขึ้นไม่ยุบลงมั่นคงตลอดกาลอ่ะนะหลังจากที่ ถูกสั่งฆ่าแล้วเรื่องราวก็ถึงพระผู้มีพระภาคพ่อผมก็เลยแสดงธรรมว่าผู้ใดประทุษร้ายในท่านผู้ไม่ประทุษร้ายทั้งหลายผู้ไม่มีอาจยาโดยด้วยอาจยาย่อมถึงฐานะสิบอย่างใดอย่างหนึ่งพลันทีเดียวไปทํากับคนมีคุณมากบาปมันจะให้ผลทันทีเลยสิบอย่างอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งคือหนึ่งถึงเวทนากล้าสองความเสื่อมทรัพย์ ไฆ่าคนที่มีคุณธรรมบางทีถูกเขาฟ้องร้องเสียหายทรัพย์สินเลยนะหรือว่าความสลายแห่งสรีระร่างกายก็ถูกเขาทุบเขาตีหรืออาพาธหนักทำให้เกิดความเจ็บป่วยหรือห้าความฟุ้งซ่านแห่งจิตไปทำคนดีจริงๆก็จิตฟุ้งซ่านเหมือนกันหกความขัดข้องแต่พระราชาคนเป็นใหญ่เป็นโตเนี่ยไม่ชอบเลยแล้วก็เจ็ดถูกกล่าวตู่อย่างร้ายแรง เรื่องไม่ควรจะเป็นก็เป็นได้แปดความย่อยับแห่งเครือญาติเก้าความเสียหายแห่งโภคทรัพย์สินเสียหายแลวก็สิบสุดท้ายก็คือไฟป่าย่อมไม่เรือนของเขาผู้มีปัญญาสามเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงนรกเหมือนกับเจ้าวิธูตภะเนี่ยวิธูตภะเนี่ยพอฆ่าสักยะเสร็จคาดเรียกว่าขาดเกือบล้างบางเลยนะ ใครที่พูดว่าตัวเองเป็นสักยะเนี่ยเจ้าวิฑูตพะเนี่ยสั่งฆ่าหมดเกลี้ยงหลังจากนั้ น, น, นเนี่ยวิฑูตพะเนี่ยพอชนะแล้วนะเอาเลือดของสักยะเนี่ยไปล้างล้างตังที่ที่สักยะเคยดูถูกถึงกับว่าสมัยที่ไปนั่งเนี่ยเอาน้ำนมมาล้างเนี่ยก็ไปฆ่าเอาเลือดในลําคอของสักยะเนี่ยมาล้างตังที่นั่งเนี่ยเรีย บ, บร้อยเบ็ดเต็มก็มาที่แม่น้าําคงคามาที่แม่น้นําแล้วก็นอนตกคืนนั้นเนี่ยน้ําป่าก็บ่าท่วมมา ที่มีใจโหดเทียมเนี่ยตายในทะเลเกลี้ยงหมดทีนี้ส่วนใหญ่ก็ฆ่าพระอริยะนะสักยะตอนนั้นเนี่ยเป็นพระอริยะมากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นเออสักยะนี่ก็รับผลของกรรมเก่าไปที่อดีตชาติเคยไปเบื่อปลาเอาไว้ส่วนเจ้าวิทูธภาพาก็ทำกรรมใหม่แล้วก็ทำกับคนมีศีลด้วยทีนี้เมื่อไหร่โอกาสที่จะได้กลับมาเป็นมนุษย์คืนหรือว่ามาเป็น เป็นมนุษย์ถึงกับรู้เดียงสาสา ม, มารถที่จะศึกษาพระธรรมสา ม, มารถที่จะมีความรู้เรื่องอริยสัจยกตนให้พ้นจากสังสารทุก์เนี่ยเมื่อไรเนานะนับไปนรกเนี่อย่าไปนับเป็นปีๆเลยคือปีเราเนี่ยมันพูดยากกันก็บอกว่ามีนรกอย่างเช่นในโลหกุมพีนรกนะก็เหมือนกับเราต้มต้มข้าวนะต้ม อ, อะไรนะมันลอยขึ้นข้างบนลอยลงข้างล่างเนี่ยจากข้างบนลอย ก็เรีว่าจมลงเนี่ยสามหมื่นปีโผล่ขึ้นมาอีกสามหมื่นปีโผล่กันมาพูดกันคนละคำมาทุษณนะโสงงัน้นนะได้ยินนะพูดได้คนละคำนั้นนั่นเองแล้วก็จมลงไปอีกจมลงอีกสามหมืนเนี่ยแล้วโผล่มาอีกไม่ต้องถามหาที่สุดว่ามันเมื่อไหร่เจ้าัระเจ้า ว, วิถูตภพักถูกเหยียดยามอย่างไรแรงนันก็คือตอนที่ไปที่เมืองกบิลพัฒน์เนี่ยจะไปไหว้าตาจะไปกราบพระเจ้าตานะ ไปก็ตัวเองเนี่ยไปไหว้หมดเลยทีนี้ว่าไอ้คนอายุน้อยที่สุดเนี่ยสักกาะเนี่ยคัดเอาเด็กที่อายุน้อยกว่าเจ้าวิธูตะพัให้ไปอยู่ที่อื่นหมดเพื่อที่จะไม่ให้สักยะไหว้เจ้าวิธูตะพักเรียกว่ามีมานะสักกาะนี่ก็ทํากับเจ้าวิธูตะพะเกินเหตุเหมือนกันทําเกินเหตุเกินไปเหมือนกันมานะมันมากอ่ะนะทีนี้เจ้าวิธูตะพักนี่ก็ได้เลือดเนื้อเชื้อไขามาก็เลยมานะอีกนั่นแหละฆ่าสักกาะ เกเปลี่ยงเลยอ่ะเจ้า้าเรียกว่าเหตุเก่านี้บุญประเภทอ่อนน้อมอ่ะบุญประเภทอ่อนน้อมเนี่ยทําให้เกิดในตระกูลสูงทีนี้พอเกิดในตระกูลสูงปั๊บกิเลสมันก็ได้ช่องพูดเหมือนกับที่เขาเรียกว่าเหมือนกับไปหาเสียงหาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมตอนหาเสียงเนี่ยเดินติดดินไหวกันทุกคนนั่นแหละพอเป็นแล้วก็อีกคนละเรื่องแล้วนะคนละคนละตอนกันทั้งเวลาทํากุศลก็จะเป็นลักษณะเดียวกันอ่อนน้อมดีพอกุศลมันให้ผลเสร็จแล้วก็ ก็ลืมไปและอย่างหนึ่งสักยะนี่มีมานะมากแม้กระทั่งวันที่พระองค์เนี่ยเสด็จปรับเมืองก บ, บิลพัทเนี่ยพอเป็นพระพุทธเจ้าจะกลับเมืองก บ, บิลพัทเนี่ยนะอะสักยะเนี่ยวางแผนต้อนรับพระพุทธเจ้านะให้พวกหนุ่มๆเด็กๆเกนี่ยมันอยู่ข้างหน้ามาแก่ๆอยู่ข้างหลังจะได้ไม่ต้องยกมือไหว้วางแผนหมดนี้พระองค์ก็พิจารณาดูโอ้โหสักยะเนี่ยมานะขนาดนี้เลยเหรอ องค์ก็เลยต้องเหาะไงแสดงยมกปาฏิหาริเหมือนกับโปรยธุลีเนี่ยลงบนศีต่าให้สักยะเนี่ยได้ไว่ายอ่ะเสร็จแล้วพระองค์ก็เกิดฝนตกลงมาก็แสดงมหาเวสันตดอนชาดกนะว่าฝนแบบนี้เคยตกแล้วมั้นอันกลุ่มที่สะสมอัธยาศัยแบบนั้นมาก็ก็โน้มเอียงที่จะมีมาหน้านะแต่ในอดีตชาติเนี่ยสมัยเกิดเป็นคนเบื่อปลาทํามาหากินอย่างนั้นแสดง ก, ก็ไม่ได้เป็นกรรษัตริย์มาตลอดอันในจิตตสามภูตชาดกเนี่ยกล่าวถึง พระโพธิสัตว์สมัยที่เกิดเป็นจันทารพระโพธิสัตว์เนี่ยเกิดเป็นจันทารพอเรียนศิลปะของนักจันทารเสร็จก็มาแสดงแสดงเพื่อให้คนชมเพื่อที่จะเก็บบาทสองบาทอะไรเงี้ยนะเพื่อที่จะได้เศษอาหารไปกินเนี่ยขณะที่แสดงเนี่ยก็มีพวกนางวันพระรามถือทิฐิมงคลว่างั้นการเห็นจันทารเนี่ยถือว่าเป็นอัปมงคลอย่างยิ่ง พอไปเห็นเด็กจันทานเนี่ยแสดงแสดงกลอย่างเงี้ยนะไม่เด็ก่เป็นหนุ่มแล้วเสร็จแล้วก็บอกว่าวันนี้เห็นไม่ดีเห็นคนจันทานมากลับไปเอาน้ําหอมอย่างดีล้างตาเลยล้างจังไรอางเง้นล้างความสวยออกไปกลับไปคนที่ติดตามไปเนี่ยเกลียดไอ้เด็กสองคนเนี่ยมากก็เลยถูกทุบตีถูกทุบตีเนี่ยก็บอบช้ำแล้วกว่าจะเติบโตมาเนี่ยก็โตด้วยนมสุนัขเวลาแม่เนี่ยให้กินนมเสร็จก็ปล่อยให้อยู่กับ ลูกหมาบ้างแม่หมาบ้างทีนหิวมากๆก็กิ น, นอมหมานั่นแหล ะ, จะเจริญเติบโตมาหลังจากนั้นก็ไปอีกเมืองหนึ่งเพื่อไปเรียนศิลปะปลอมตัวเป็นพรานตอนหลังก็ถูกเขาจับได้ก็ออกบวชเป็นฤๅษีพอบวชอยู่ไม่นานตายแล้วไปเกิดเป็นเนื้อฤๅษีทั้งคู่เนี่ยไปเกิดเป็นเนื้อเหมือนกับพวกควางพวกละมังเนี่ยทีนี้เป็นเนื้อที่รักกันมากยืนเคียงคู่กันนายพรานก็เลยเอาห อ, อกมาจิ้มทีเดียวตายทั้งคู่เลย ตายจากเนื้อมาเกิดเป็นนกเขาทั้งคู่เป็นนกเขากําลังคลอเคลียอยู่กับนกเขาทั้งคู่นั่นแหละแล้วก็ตายนกเขาตัวหนึ่งไปเกิดเป็นลูกของปุโรหิตนกเขาอีกตัวหนึ่งไปเกิดเป็นลูกของพระราชาทีนี้ลูกของพระราชาพอเจริญเติบโตมาเรียนศิลปะก็ได้เป็นพระราชาอีกคนหนึ่งเนี่ยลูกของปุโรหิตเกิดอีกเมืองหนึ่งก็ออกบวชทีนี้ลูกของพระราชาเนี่ยระลึกชาติจําได้ชาติเดียวคือชาติที่เป็นจันทานออกบวช ระหว่างชาติเนี่ยระลึกไม่ได้กับอลูกของปุโรหิตที่ไปบวชเป็นฤาษีเนี่ยระลึกชาติได้หมดเลยระลึกได้ทั้งสี่ชาติแต่แล้วตอนหลังก็พระราชาเนี่ยก็หมกมุ่นแต่ก็คีดถึงคนที่ที่เป็นญาติกันอ่ะนะสมัยที่เกิดเป็นจันทานเหมือนกันตอนหลังเนี่ยฤาษีเนี่ยก็มาเตือนเวลาเธอเป็นกษัตริย์นะกิเลสมานะมันเกิดนึกไว้เสมอว่าเมื่อก่อนเราเคยกินนมสุนัข ก, กันนะ เคยเกิดเป็นจันทานอย่าลืมชาติกําเนิดเก่าของเรานะแนะนําอย่าให้ลืมภูมิหลังนะว่าวันนี้เนี่ยคนทั่วไปเขายกย่องว่าเป็นกษัตริย์แต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเราเคยเป็นจันทานบยางนั้นอยู่ในเมืองอุเชนีนู่น ون. ไปที่ไหนเนี่ยใครเห็นใครก็รังเกียจอันก็เวลากุศลมันให้ผลเนี่ยก็ขึ้นสูงเลยนะอากุศลมันให้ผลกับวับตรงนัอันสัตว์ทั้งหลายเนี่ยพออยู่ในสังสารวัตรเนี่ยไม่ว่าจะเกิดดีสูงต่ําขนาดไหนก็เป็นที่พักชั่วคราว มันไม่มีอะไรท้าววางสักอย่างนึ่งอันผลของกุศลแม้แต่เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมั่นคงไหมงอนเง่นเต็มทีแล้วนะจากสีทวารกา น, นี่งอนเงนงอนงันแล้วนะรอมรอรอมน อ, อจะไปวันไหนก็ไม่รู้ทีนี้ถ้าหากว่างดเว้นจากปาณาติบาปาณาติปาตาปฏิวิรตโตมีศีลข้อนี้นะสมาทานเพื่อที่งดเว้นจากปานาติบา ความว่าเป็นผู้งดเว้นคือตั้งอยู่ไกลาจากปานาติบาตเพราะการสมาทานศึกษาบทสมาทานที่จะประพฤติ ศ, ศึกษาเพื่อที่จะงดเว้นจากการการฆ่าเพราะฉะนั้นศีลข้อปานาติบาตไม่ได้เป็นศีลเพราะไม่ฆ่าไม่ฆ่าเฉยเฉยเนี่ยอยู่เฉยเเนี่ย น, นั่งนั่งใจลอยดูทีวีทั้งวันอะ่ะถามว่ามีศีลไหมก็ต้องดูว่าสมาทานหรือเปล่าถามว่าศีลเนี่ยศีลเป็นกุศลหรือเป็นอกุศล เป็นกุศลขณะที่มีโทสะมีศีลไห ม, มกุศลศีลขณะนั้นไม่มีขณะที่มีโลภามีไห ม, มไม่มีขณะที่เป็นโมหะก็ก็ไม่ใช่ขณะหลับก็ไม่ไม่ใช่แต่ถ้าสมาทานแล้วก็ถือว่าไม่ล่วงอันกุศลจิตก็เกิดชั่วที่ขณะที่สมาทานถ้าปลารบบ่อยๆศีลจึงจะเกิดบ่อยๆถ้าปรารบน้อยศีลก็เกิดน้อยเหมือนกันว่าแม้แต่ศีลเนี่ยพระองค์ก็ยังสอนให้เจริญศีลานุสติ ตามระลึกนึกถึงคุณของศีลที่ไม่ขาดไม่ดังไม่พร้อยไม่ทะลุเป็นไทยเป็นศีลที่วินยูชนยุกย่องสารเสริญเนี่ยซึ่งเป็นศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิเพราะนั้นอุศลศีลนั้นส่วนหนึ่งก็เกิดจากการสมาทานทีนี้ในเรื่องของการรักษาศีลเนี่ยนะก็มาวินิจฉัยดูว่าเป็นอย่างไรวินิจฉัยโดยประเด็นต่างๆเกี่ยวกับเรื่องการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์เนี่ย แม่ในที่นี้พึงทราบวินิจฉัยวินิจฉัยแปดอย่างด้วยกันเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาศีลบอกมีศีนไหมมีถ้าก็ถามว่าเออศีนสภาวะของศีนเป็นยังไงเป็นต้นเนี่ยนะเอาคําถามแปดคำถามเนี่ยมาถามดูว่าตอบได้หมดไหมถ้าไม่ดูคาําอธิบายเนี่ยตอบได้หมดไหมใครตอบได้บ้างใครตอบไม่ได้บ้างยกเงนะินนำเลยในหน้ายี่สิบสองเนี่ยนะนั่นคือถ้าหากว่าแปดข้อเนี่ยนะ เห็นปั๊บเข้าใจทันทีเลยนั้นแสดงว่าคนนั้นเข้าใจเรื่องศีลเป็นอย่างดีแต่ถ้าหาว่าตอบไม่ได้ทักคําคถามเลยเนี่ย แ, แสดงว่าโหเต็มทีแล้ะเรื่องศีลเนี่ยที่ว่ามีศีลดูไม่น่าจะใช่เลยอะ่ะ <c oughs> เพราะยังไม่รู้ว่าศีลคืออะไรโดยสภาวะของศีลคืออะไรศีลโดยสภาวะแล้วเป็นเจตนาบ้างเป็นวิรตีบ้างมีสองอย่างคือวิรัตกับเจตนาอันแสดงว่าเจตนา เจตนาต้องเป็นเจตนาที่เกิดร่วมกับมหากุศลจิตแปดดวงและวีรตีเจตสิกอีกสามดวงวีรตีเจตสิกเนี่ยเกิดกับมหากุศลจิตเป็นครั้งคราวไม่ได้เกิดตลอดเวลาเกิดเป็นพักๆนะนั้นเกิดเป็นพักๆแต่เมื่อว่าโดยเทศนาเทสนาก็คือในปุตสูตรเนี่ยนะมาแล้วด้วยสามารถแห่งวิรัตอันงดเว้นจากปานาติบาใช่หม ในในพุทธพจน์กล่าวว่าปานาติปาตาปฏิวิรตโตเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ใช่เจตนามุ่งเอาที่วิรตหมายเอาที่วีรตีวีรตีนั้นเกิดร่วมกับมหากุศลจิตเท่านั้นแล้วเป็นเจตสิกที่เกิดไม่แน่นอนนะไม่ใช่กุศลจิตเกิดแล้ววีรตีเกิดทุกครั้งวีรตีไม่ได้เกิดทุกครั้งเกิดเป็นขณะขณะไปขณะไหนบ้าง ก็คือวิรัตของผู้ที่งดเว้นจากปานาติบาตที่ประกอบด้วยกุศลจิตที่ท่านกล่าวว่าอย่างนี้ว่าในสมัยนั้นวิรัตนั้นได้แก่การงดเว้นจากปาณ า, าติบาทที่เกิดขึ้นในมหากุศลนะนะทีนี้โดยประเภทแห่งวิรัตมีสามอย่างด้วยกันเราก็จะได้สืบดูว่าเออวิรัตของเราเนี่ยเกิดบ่อยไหมหนึ่งสัมปตตาวิรัตสองสมาทานวิรัตสามสมุดเฉดวิรัตวิรัตที่เกิดขึ้นแก่ผู้ไม่ได้สมาทานมาก่อน แต่พิจารณาเห็นชาติวัยและความเป็นพหูสูตรเป็นต้นของตนแล้วก็ไม่ฝ่าฝืนวัตถุที่มาประจบเข้าด้วยคิดว่าเรื่องนี้ไม่เหมาะแก่เราที่จะกระทำดังนี้ชื่อว่าสัมปตาวิรัตเช่นบางคนเนี่ยไม่ได้สมาทานศีลนะแต่ว่าจะไปลักขโมยนี่มันจะทำได้ยังไงมันไม่เหมาะสมกับคนชาติตระกูลระดับเราปาราชาติตระกูลเสร็จแล้วก็ไม่ไม่ลักขโมยไม่ผิดศีลข้อใดก็ตามอันนี้ชื่อว่า สัมปตาวิรัตหรือพิจารณาออายุปูนี้แล้วอ่ะไปล่วงศีลล่วงธรรมได้ยังไงไอเด็กๆ เ, เขาอันนี้ขณะนั้นก็เป็นเป็นศีลโดยพิจารณาไวอันะโอ้ศึกษามาขนาดนี้แล้วนะไปทําตัวอย่างนั้นได้ยังไงไปกินเหล้าเมายาย่ำแปะอยู่อย่างนั้นได้อย่างไรอันนี้ก็เป็นลักษณะของสัมปตวิรัตเหมือนกันอั้นการที่พิจารณาชาติวัยหรือว่าพหูสูตรเป็นต้นนะอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว ไม่ล่วงละเมิดในการฆ่าเป็นต้นอ่ะอันนั้นชื่อว่าสัมปะตะวิรัตความคิดอันนี้เกิดบ่อยไหมมีบ้างอ่ะนะถ้าได้ปัจจัยก็มีบ้างถ้าไม่มีปัจจัยก็ไม่มีเลยมีเหตุบางอย่างก็ให้คิดการลบเรื่องชาติเรื่องวัยต่อไปนะว่าส่วนวิรัตที่เกิดขึ้นแก่ผู้สมาทานศิกขาบทมาก่อนแล้วแม้สละชีวิตของตน ที่มีคุณค่ายิ่งกว่าสิกขาบทนั้นก็ไม่ล่วงละเมิดวัตถุเพราะสมาทานศิกขาบทไว้ชื่อว่าสมาทานวิรัตสมาทานก็คือไปรับศีลมานั่นเองเหมือนกับที่อุบาสกคนหนึ่งพอรับศีลเสร็จไปไถนาปล่อยวัววัวเข้าป่าถือมีดไปตามวัวงูมารักก็ปารอถึงศีลที่ได้สมาทานมาก็โยนมีดทิ้งเลยไม่ไม่ยอมฆ่าอันในเรื่องเกี่ยวกับสมาทานวิรัตนั้นบางคนก็ก็ทําได้บ่อยมาก บางคนเนี่ยอาศัยการสมาทานเช่นสมาทานอุโบสถใช่ไหมสมาทานอุโบสถชั่ววันหนึ่งคืนหนึ่งก็ประพฤติเหมือนกับที่ที่สมาทานนั่นแหละแต่วิรัติที่สัมปยุต ด, ด้วยอริยมรรคชื่อว่าสมุทเฉทวิรัติซึ่งเริ่มแต่เกิดขึ้นแล้วแม้ความคิดว่าเราจะฆ่าสัตว์ก็ไม่เกิดขึ้นแก่พระอริยะบุคคลทั้งหลายถ้าถ้าเป็นพระโสดาบันเป็นต้นแล้วแม้แต่คิดฆ่ายังไม่มีไม่ต้องพูดถึงการฆาเลย อันนี้วินิจฉัยข้อที่หนึ่งนะสภาวะของวรตีสภาวะของวีร ต, รตีนั้นวีรตีจะเกิดได้สามขณะขณะที่สมาทานหนึ่งขณะที่ประสบหนึ่งแล้วก็ขณะที่อริยมรรคเกิดขึ้นในขณะอริยมรรคเกิดขึ้นเนี่ยมีมีอะไรเป็นอารมณ์มีนิพพานเป็นอารมณ์นะท่าที่เหลือมีอะไรเป็นอารมณ์ก็คือสมาทานวิรัตกับสัมปัตตวิรัตนะถ้าปานาติบาศมีชีวิตติณซีเป็นอารมณ์ สองโดยอารมณ์อารมณ์ของปานาติบาเป็นต้นนั่นเองเป็นอารมณ์ของปานาติปาตาเวรมณีเป็นต้นถ้าหากว่าปานาติบาเจตนาในการฆ่ามีอะไรเป็นอารมณ์กุศลจิตที่งดเว้นก็มีสิ่งนั้นเป็นอารมณ์ด้วยนะว่าเว้นจากการฆ่าสิ่งมีชีวิตเจตนาที่สมาทานเป็นต้นก็ต้องมีสิ่งมีชีวิตเป็นอารมณ์ด้วย ไม่ใช่ปานาติปาตานังสับ ป, ประโกระ ก, กเงเงก์ไปมันก็ไม่ใช่เลยนะอันนี้ก็เรียก ว, ว่าตามตามกันมาว่าตามตามกันอาจจะไม่ใช่ศีลเพราะาอย่าลืมว่าศีลมีอะไรเป็นเหตุไกล้ศีลมีอะไรเป็นเหตุไกลคะศีลมีหิริโอตปะเป็นเหตุไกล้คนที่จะมีศีลจริงๆก็ต้องอายชั่วกลัวบาปถ้าถ้าขณะนั้นไม่อายชั่วไม่กลัวบาปสภาพของศีลจะไม่มี ทีนี้ต่อไปว่าด้วยว่าขึ้นเชื่อว่าการงดเว้นจะมีได้ก็เพราะมีสิ่งที่จะต้องล่วงละเมิดนั่นเองขณะวดเว้นก็ขณะที่สมมุติว่ายุงมากัดจะฆ่าก็ได้จะเว้นก็ได้เอาอันไหนดีถ้าหีเรโอตปากเกิดขึ้นก็โอ้ยเมื่อก่อนเนี่ยนะเจ้าคงประมาทแน่นอนเลยแหละเจ้าจึงได้มาเกิดเป็นยุงฉันเองก็เหมือนกันนะถ้าฉันปล่อยจิตให้คิด ถ้าแกเป็นต้นเนี่ยนะไม่นานอาจจะได้ไปเกิดเป็นญาติญาติเป็นลูกๆูลูกหลานแกนั่นแหละเกิดโอตระปาขึ้นนะะกลัวผลของกรรมนี้ก็งดเว้นไปแต่บางคนก็อายเน้ะศึกษาธรรมะมาอย่างนี้ยังจะฆ่าอีกเลยทําอะไรก็ไม่ได้สักอย่างอันนี้ก็เรียกว่ามีฮีริเกิดขึ้นแต่ถ้าศึกษาเรื่องกรรมดีๆโอตระปาจะเกิดบ่อยเกิดบ่อยๆจะได้ระลึกถึงได้นะ คือถ้าหากว่าคนที่ปรารบศีลบ่อยๆแล้วรักษาศีลได้เวลานึกถึงจะปลื้มใจแต่ถ้าหากว่าไม่ได้สมาทานไม่ได้อะไรเลยนะนึกถึงยังไงก็ไม่สบายใจเพราะว่าที่ไม่ฆ่าเพราะว่าไม่ได้ปัจจัยเฉยๆอย่างบางคนเนี่ยดูเหมือนเขารักษาศีลดีแต่เขาไม่ได้ปัจจัยที่จะล่วงศีลเขาบอกว่าคนที่รู้อยู่แล้วยังกล้ามุมสาวาททั้งๆ้ ท, งที่รู้อยู่ ก็บอกไม่มีบาปอะไรที่เขาทําไม่ได้บาปส่วนอื่นๆเนี่ยอยากคิดว่าเขาทําไม่ได้เพียงแต่ว่ามันยังไม่ได้ปัจใจเท่านั้นเองดันั้นกุศลส่วนนี้ต้องอาศัยการปราลรบ่อยๆสมาทานบ่อยๆบางท่านเนี่ยนะเทขาว่าก่อนนอนก็สมาทานทิ้งตื่นเช้ามาก็ตั้งใจจากวันนี้จะเอาสินให้ดีๆก็กริงคิดเช้าเย็นงเงี้ยก็ได้ใครคิดอย่างเงี้บ้างยกมือขึ้นโอ้สาธุเจริญพร มันก่อนนี้คุณบุญชูนะเขามาถึงมีคนชวนคุยบางเรื่องนะบอกวันนี้ผมสมาทานการใช้บาจามาครับเขาบอางนั้น <c oughs> รักษาไว้น้อสาธุโมทนาด้วยอย่างเงี้ยเจริญไม่มากมากีเท่านในวิสุทธิมัสท่านกล่าวว่าที่พึ่งอื่นของกุลบุตรในาศาสนานี้นอกจากศีลไม่มีถ้าหากว่ากุศลศีลเราเกิดไม่ดีแล้วนะรถที่หนึ่งมันก็ไม่ได้ขึ้นแล้ว รถที่หนึ่งเนี่ยผลที่หนึ่งก็ขึ้นไม่ได้แล้วศีลวิสุทธิไม่ได้จิตตวิสุทธิก็ไม่ใช่ฐานะอีกจิตตวิสุทธิอย่าลืมนะว่าจิตตวิสุทธิคืออะไรคือการนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าหรือว่าการระลึกนึกถึงคุณของพระธรรมหรือว่าการระลึกนึกถึงคุณของพระสงฆ์หรือว่าการระลึกนึกถึงคุณของศีเรียกว่าสีลานุสติจารานุสติเทวดานุสติระลึกนึกถึงคุณของเทวดา อุปสมานุสติมรณ า, านุสติศีลไม่ดีแล้วลึกถึงความตายเป็นไงตายแนะ่อันนี้ตกในรถแหงเลยนะจะตายอยู่แล้วเนี่ยบุญก็ยังไม่ได้ทําเลยนะถ้าศีนไม่ดีจะเป็นลนนะักษณะนั้นมรณ า, านุสติแล้วลึกแล้วจะไม่สงบอา น, นาปานาสติเนี่ยหายใจเข้าฮึดสองฮึดเท่านะั้นที่เหลือคิดเรื่องอื่นหมดเลยฟุ้งหมดนะบางคนนะ่ยนับหนึ่งหนึ่งสองสอ ง, สองเอองานนั้นจะเป็นยังไงวะอา้าวหนึ่งสองสองแสลับมั่วแล้วที่หมดเลยนะ แม้แต่กุศลชั้นอื่นๆอีกนะถ้าอนุสติเกิดยากเพราะไม่หารเนี่ยนะก็เกิดยากอีกเหมือนกันถ้าหากว่าจิตเป็นไปกับโลภะโทสะเนี่ยคนโกรธหรือว่าคนโลภย่อมไม่รู้อัตถะไม่รู้ธรรมะแม้แต่พ่อแม่ที่มีบุญคุณมันยังนึกไม่ออกเลยอะนะถ้าจิตที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นอันคนที่ที่จิตขาดเมตาก็จะเป็นลักษณะดเดียวกันคนที่เขามีคุณมากมายเราก็ระลึกนึกถึงคุณของเขาไม่ออก ถ้าจิตของเราไม่ไม่สะอาดระดับหนึ่งแล้วเนี่ยที่จะพิจารณารูปนามขันห้าก็เป็นของยาการูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ น, นึกถึงอะไรรูปใช้คำว่ารูปเนี่ยเรามีอะไรเป็นอารมณ์รูปห ย, ยาบๆที่พระผู้มีพระภาคทรงสอนให้พิจารณาก็คือ oh. ส่วนใหญ่แล้วก็เช่นตาสีหูเสียงจมกูกกลิ่น ลิ้นรถกายโพธะกายคือผมกายคือขนกายคือเล็บคือฟันคือหนังคือเนื้อคือเอ็นเป็นต้นนั่นเองก็พิจารณาเนี่ยทั้งหมดคือรูปรูปอันนี้ทั้งที่เป็นอดีตทั้งที่เป็นอนาคตทั้งที่เป็นปัจจุบันทั้งที่เป็นภายในทั้งที่เป็นภายนอกทั้งหยาบทั้งละเอียดทั้งเลวทั้งประณีตทั้งไกลและใกล้ทั้งหมดนั่นก็ศัตว์แต่วรูป เห็นโดยชอบตามปัญญาตามความเป็นจริงว่านั่นคือรูปไม่ใช่เราก็ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเราถามว่าเข้าเป็นอะไรก็เป็นรูปนั่นแหละการพิจารณาแบบนี้บ่อยๆเข้ารูปบางอย่างเป็นที่อาศัยเกิดของจิตเช่นจกักรโคกับสีจกักรโคเป็นที่อาศัยเกิดของจกักรโวิญญาณสีก็เป็นอรรมณปัจจัยของจกักรโวิญญาณนะ นิจฉัยแบบนี้เป็นต้นตาก็เป็นลักษณะของยาตะปริญญาทัานถ้าไม่สบายใจจริงๆอ่ะให้ไปอยู่คนเดียวนั่งคิดเรื่องนี้ดูสิคิดนะรูปเวทนาสัญญาเอ๊ะวันก่อนเนี่อาจารย์เขาหวังเลยนะไอ้คำนั้นอ่ะใช้ก็ไปเรื่อยแล้วตอนะะนี้พอหน้าหนึ่งคนโผล่มาคนอื่นยังมาเรื่อยคนหนึ่งก็แล้วคนสองก็แล้วนะคิดไปตั้งครึ่งชั่วโมงแล้วนะคิดเรื่องอื่นมาเอา้เอาวไม่ได้มาคิดเรื่องนี้นี่ ถ้าหากว่าจิตฟุ้งซ่านระดับหนึ่งแล้วก็การพิจารณาพระธรรมนี่จะยากถ้าหากว่าพิจารณาพระธรรมพวกนี้ยากนะแม้แต่โดยคําเรายังนึกไม่ค่อยจะออกเลยอะ่ะสภาวะอันจะต้องออไว้ที่ไหนเนาะก็ <c oughs> ไม่เป็นไรเนี่ยวาสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตอนจริงๆเลยเคอถ้าหากว่าเราพิจารณาไม่ได้ไม่เป็นไรแสดงว่าเรามีข้อมูลเรื่องนั้นน้อยไปแต่ถ้าเรามีข้อมูลเรื่องนี้พอแล้ว ทำไมยังตรึกไม่ได้แสดงว่ากายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมเราไม่ดีพอต้องมีความบกพร่องอย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอนตรวจสอบเธอเดี๋ยวจะเห็นเองแหละ ว, ว่าเรามีข้อผิดพลาดแน่นอนมีข้อผิดพลาดทางกายอย่างใดอย่างหนึ่งข้อผิดพลาดทางวาจาที่ไปพูดอย่างใดอย่างหนึ่งมันซึ่งมันมันขัดขวางต่อการพิจารณาพระธรรมเหล่านี้มีความคิดบางอย่างซึ่งมันขัดกับการพิจารณาพระธรรมเหล่านี้ เสร็จแล้วการพิจารณาก็จะไม่ต่อเนื่องถ้าพิจารณาไม่ต่อเนื่องอัทธรสธรรมรสก็ไม่เกิดอัทธรสธรรมรสไม่เกิดแล้วก็แล้วก็ทำงานแต่ว่าตรึกบ่อยๆนี่ไม่ใช่ตรึกถึงคำคนนั้นจะต้องมีความเข้าใจว่าจาักสู่คืออะไรสีคืออะไรหรือรูปเนี่ยรูปคืออะไรใช่ไหมจกักรวิญญาณนี่คืออะไรความเข้าใจอันนี้ต้อ ง, องชัดเจนอยู่แล้วความเข้าใจนั้นต้องต้องพิจารณามากๆ เช่นในเรื่องของสีสีมีสมุธฐานเท่าไหร่สีมีสมุธฐานสีอันเราพิจารณารูปอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นอะไรดีดอกไม้เนี่ยมีอะไรเป็นสมุธฐานอุตตุเป็นสมุธฐานเพราะั้นถ้าหากว่าผู้ที่มีความเข้าใจปับ๊บมองปับ๊บมันก็มีรูปเนี่ยคือรู ป, ปารมมีอุตูุเป็นสมุธฐานประกอบด้วยวินิโพค ร, รูปเท่านั้นเองวินิโพค ร, รูปอันนี้เนี่ยสีแบบนี้นะถ้าในเนี้ยยังมีน้ําหล่อเลี้ยงไปต้นก็ยังจะสดได้อีกมานหน่อย แต่ถ้าหากว่าปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งวิบัติความงามนี้เหลือไหมเช่นเอาน้ําร้อนมาตั้งไว้ข้างล่างเนี่ยแล้ก็เหี่ยวหมดแล้วเนอะนั้นนี่คือธรรมชาติของสีถ้าหากว่าสีเนี่ยเปลี่ยนจากโขเราก็หนึ่งสีต่อหนึ่งัน่นแหละแล้วก็พิจารณาเพื่อเพื่อมันไม่มีอะไรเศษก็พี่จะได้มีเวลาพิจารณาภายในเยอะๆถ้าพิจารณาภายในมากๆขึ้นนะเช่นจากขขเนี่ยตากับจิตเห็นเนี่ยก็คือชีวิตใช่ไหม ขณะที่ตากับสีเนี่ยนะจิตเห็นเนี่ยเป็นชีวิตมีชีวิตตินทรียเกิดร่วมด้วยจัคคูก็มีชีวิตเกิดร่วมด้วยชีวิตนี้น้อยนักใช่ไหมชีวิตเนื่องด้วยอะไรบ้าง<ม>ตาของเราเนี่ยเนื่องด้วยอะไรบ้างที่มันเป็นอยู่เนี่ยที่ยังเห็นอยู่ได้เนื่องด้วยส่วนใหญ่นะในคัมพี์ท่านบอกว่าเนื่องด้วยมหาภูตา ร, รูปสีตาเห็นเนี่ยนะถ้ามหาภูตรูปอย่างไรอย่างหนึ่งวิบัติดูสิชีวิตนี้ก็วิบัติไปด้วยถ้าอาหารวิบัติ ตานี่ก็วิบัติไปด้วยถ้าจิตมีปัญหาตาก็มีปัญหาด้วยนั่นก็คือกรรมจิตดูตัวอาหารนั่นเองแต่ว่าสัมนวนพระสูตรจะจะใช้อีกอีกคำหนึ่งเมื่อจะขูเหล่านี้เนี่ยซึ่งเกิดด้วยปัจจยัยถ้าปัจจัยอย่างไรอย่างหนึ่งวิบัติไปจิตเห็นก็ต้องวิบัติไปตามปัจจัยของเขาถามว่ารู้อันนี้พอหรื อ, อยังทํำยังไงต่อวิจัยว่างไงอ้าวที่ว่าก็ว่าไปแล้วเมื่อกี้ไงไอเหตุที่ว่าเนี่ย ถ้าจะต่ออีกเนี่ยจะทำยังไงอาจารย์ง น, นั้นเมื่อกี้เนี่ยเรียกว่ากล่าวโดยยาตะปริญญานะปริญญาต้องสามต่อไปปริญญาข้อที่สองก็คือตีระปริญญาพิจารณาอย่างไรพิจารณาจากขูณเนี่ยโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศอนเป็นความลำบากเป็นเหมือนของขอยืมเข้ามาเหมือนของขอยืมอ่ะอาจารย์นะแสดงว่าชั่วคราว ถ้าพิจารณาโดยความไม่เที่ยงนี่จะได้รับผลอย่างไรพิจารณาโดยความไม่เที่ยงจะได้รับผลอย่างไรถ้าพิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงก็จะละนิจจสัญญาหรือนิจจวิปลาดได้เรียกว่าละสัญญาวิปลาดจิตตาวิปลาดทิฏฐิวิปลาดได้นะโดยแต่ทางข้าประหาะนะนนการพิจารณาเหล่านี้เนี่ยนะบอกว่าข้าหันศึกษาจบแล้ว ออพิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นต้นเราเนี่ยมันเป็นการศึกษาอย่างไรศึกษาอย่างไรขณะนั้นนั้นเนี่ยนะคนที่เจริญนั้นต้องศีลสิกขามามาดีแล้วใช่ไหมจึงจะปารบอย่างนี้บ่อ ย, อยเมื่อปารบนี้ก็เป็นลักษณะของปัญญาสิกขาอันถ้าหากว่าความสงบไม่มีระดับหนึ่งจริงๆเนี่ยแน่นอนว่าคิดไม่ได้แน่นอนเชื่อเราะนสูตรนี้ขึ้นต้นว่าภิกษุผู้มีศีลนะ ควรกระทาธรมธรมะเหล่าใดไว้ในใจโดยอุบายอันแยบคายสมบูรณ์ทุกอย่างเลยนะพิกษุต้องมีศีลก่อนนะแล้วก็ทำมาโดยความไม่เที่ยงใช่ไหมโดยดุดจะนะไม่ใช่แบบโดยเช่นโดยดุดจะเป็นลูกศรโดยดุดจะเป็นโรคนะไม่ใช่แบบไม่เหมืเห็นเป็นโรคจริงๆคือ พยัญชนะก็สมบูรณ์หัตถะก็สมบูรณ์คําว่าดุดก็แปลว่าเหมือ น, อนเหมือนอย่างว่าเหมือนออย่่าางวุปมาเหมือนกับสิ่งนั้น ๆ, ๆนะนะสมมุติว่าเป็นเหมือนกับลูกศรเนี่ยมันเสียดแทงมันเสียดแทงอย่างไรเสียดแทงยังไงคือตัวของจกักรสูเองเนี่ยสมมติว่าอุปาทานขันห้ารูปรูปรูปทานได้แก่จกักรสูเนี่ยตัวจกักรสูเองเนี่ยนะเสียดแทงไปด้วยชาติชราพญาที โรคภัยไข้เจ็บในตัวของเขามากมายมาตานแล้ววิบัติเรียกว่ามรณะนั้นความรู้ที่เกิดขึ้นในขณะที่พิจารณาตรงนั้นคือสาระนะตัวจกักษุไม่ใช่สาระจริงๆตัวความรู้ที่เกิดจากการพิจารณานั่นแหละเป็นการศึกษาทีนี้พอศึกษาพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆเข้าเรียกว่าธรรมวิจยะสามโพชงธรรมวิจยะสามโพชงมีอยู่ณนะภายในจิตก็รู้ว่า ธรรมวิจยะสามพโฉงมีอยู่ณภายในจิตเมื่อธรรมวิจยะสามพโฉงไม่มีอยู่ณภายในจิตก็รู้ว่าธรรมวิจยะสามพโฉงไม่มีอยู่ณภายในจิตธรรมวิจยะสามพโฉงเนี่ยนะที่ยังไม่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นด้วยประการใดก็รู้ชัดประการนั้นด้วยธรรมวิจยะสามพโฉงที่เกิดขึ้นแล้วจะบริบูรณ์ด้วยประการใดก็รู้ชัดประการนั้นด้วย พิสูจในธรรมะวินัยนี้ก็พิจารณาที่ว่าเนี่ยนะทั้งภายในทั้งภายนอกทั้งภายและภายนอกทั้งความเกิดและความเสื่อมความเกิดของปัญญานี่เพราะอะไรเกิดปัญญาจึงเกิดเพราะโยนิโสเกิดปัญญาจึงเกิดทำไมปัญญาจึงเสื่อม <c oughs> เพราะหมดโยนิโสปัญญาก็ไม่เกิดอีกแล้ว <c oughs> ทำไมน้ำจึงแข็งเพราะอุตุบริบูรณ์ใช่ไหมก็แข็งเลยถ้าทาไมน้า ม, มันจึงละลายเป็นแบบนี้ เพราะปัจจัยปัญญาก็เหมือนกันเพราะมีปัจจัยปัญญาก็เกิดนะโยนิโสมานสิการนั่นเองเป็นปัจจัยของปัญญาอะไรเป็นอาหารของโยนิโสก็มีตั้งแต่ครบสัตว์บุรุษฟังธรรมเกิดศรัทธายึ่งเกิดใช่ปะไลยาวเลยหรไลยาวต <c oughs> ั้งแต่ครบสัตว์บุรุษแสดงว่าโอ้อาหารของปัญญานี่มากนะฟังธรรมแล้วเกิดศรัทธา จ, <น>จึงเกิดโยนิโสมแล้วธรรมะวิทยาสามโพธิชงจะ บ, บริบูรณ์ที่ไหน ที่สุดเลยเนี่ยโอ้ใจแบบใจแบบไหนอรหัตตมรักษ์ <c oughs> จะบริบูรณ์จริงๆในอรหัตตมรัก น, นู่นแสดงว่าต้องเดินทางอีกนะ <c oughs> แต่ <c oughs> ที่นี่ในขณะเดียวกันนะในชั้นของการศึกษาเนี่ยเราต้องเข้าใจเรื่องราวเหล่านี้ให้ใหเพียงพอนะมันเป็นวิชาที่แปลกมากวิชาที่คนปฏิบัติโดยที่ไม่ต้องรู้เลยคือส่วนใหญ่คือธรรมะลองค้าขายนะถ้าตอบอะไรไม่ได้เหมือนกับพิจารณา <c oughs> ธรรมะอย่างเงี้ยนะ รับรองเนี่ยพับเสื่อกับบ้านหมดแน่ห้าสตางค์สองสตังค์งยังไม่ออกเลยนะตอนแ ต, ต่งไม่ถูกทีเราสองรำพันเนี่กับแจ้งแล้บริษัทเนี่ยเตรียมเก็บพับเสือ่อแล้วแต่ธรรมะเนี่ยเป็นชีวิตทั้งชีวิตของเรากลับคนไม่ค่อยเข้าใจแล้วก็มุ่งปฏิบัติด้วยนะจะปฏิบัติอย่างเดียวเลยนะเขาเรียกว่าทำมังสารานาังข้าฉามีเบื้องต้นก็ไม่ชัดเจนนี่ก็เป็นโทษของวัตตะอีกอย่างหนึ่งเหมือนกัน เดี๋ยวผมถามท่านอีกนิดหนึ่งสำหรับสูตรนี้นี่นะครับถ้าท่านกล่าวถึงพระอาหารหันเนี่ยซึ่งเสร็จกิจแล้วเนี่ยท่านก็มีอุปาทานขันห้ า, า 5, ไว้ในใจโดยอุบายอันแยกคาเนี่ยเพื่อเป็นสุขวิหารธรรมของท่า น, ชนใช่ไหมครับแล้วก็เพื่อสติกับสัพชัญญาด้วยนะฮะ อ, อันนี้อันนี้ก็เป็นไปก่อนนะครับก็อยากจะเรียนถามท่านอาจารย์ว่าสาหรับภิกษุผู้มีศีลเอาว่ารวมพวกเราวังงเถอะ ผู้มีศีลถ้ายัางอุบาสกอุบาสิกาผู้มีศีลแล้วก็ประทำอุปาทานขันธ์ห้าไว้ในใจโดยอุบายแยบขายนี่นะครับเพื่ออะไรครับเมื่อกี้ก็เพื่อความความเป็นพระโสดาบันนั่นเองเอาเอาเอาเอาอย่าพึ่งนั่นเลยครับเอาอเป้าหมายสูงสุดคือสิ่งนั้นเอาไม่เอาโสดาบันเอารั้วเรียสักกันแล้วกันเปลี่ยนศัพท์ใหม่ก็หมายความว่าเราพิจารณาอุปาทานขันธ์ห้าเพื่อ เพราะว่าอุปาทานขันห้าคือทุกขาริยศสักนั้นกิจของทุกขาริยศสักก็คือการกำหนดรู้ทีนี้ว่าตัวปริญญาเนี่ยนะยาตะปริญญาก็เพื่อตีรณะปริญญาเพราะยาตะปริญญายาตาปริญญาได้สองวิสุทธิคือทิฏฐิวิสุทธิกับกังขาวิตรณวิสุทธิแล้วก็ตีรณะปริญญาก็จะได้มัคคามัคคยาณทัศ น, นวิสุทธิแล้วก็ ตั้งแต่ปหาณปริญญาก็เป็นปฏิปทายาณทัศนวิสุทธิกับญาณทัศนวิสุทธิเพราะฉะนั้นมันก็เป็นขั้นตอนต่อไปเรื่อยๆนะกุศลจิตจะพอกพูนมากขึ้นทีนี้ถ้าหากว่าผู้ที่อบรมกุศลจิตได้ขนาดนี้แล้วจะรู้ปัจจัยของความคิดอันนั้นด้วยว่าปัญญานี้ทําไมจึงเกิดทําไมปัญญาไม่เกิดปัจจัยของการพิจารณาตัวนี้คืออะไรบ้างนะจะเริ่มศึกษาเรื่องสัปายะละ ถ้ามีความเข้าใจพระธรรมระดับนั้นจะเริ่มศึกษาสัปพายะเช่นสถานที่สัพพายะอย่าว่าพิจารณาพระธรรมเลยนะถ้าอ่านหนังสือเนี่ยเรอ่านผิดแห่งก็อ่านไม่รู้เรื่องกันนะอย่าว่าพิจารณาพระธรรมเลยคือพระทหารหนเนี่ยเป็นผู้สินนนส้นอุปาทานแม้พระทหารผู้สิ้นอุปาทานก็ยังพิจารณาขันห้าแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเพราะมีอุปาทานขันห้าการเจริญวิปัสนาเนี่ยนะก็จะเริ่มละล ะ, ละอุปาทานแบบตะทางข้าประหาร คือในขณะที่เห็นลักษณะของรูปนามขันห้าเป็นลักษณะของการถ่ายทอนอั ต, ตาวาทุปาทานเป็นการละอั ต, ตาวาทุปาทานหรือที่เราคูนกันก็คือสกายยทิฐิทีนี้ถ้าหากว่าเริ่มรู้ปัจจัยเป็นต้นก็เพื่อที่จะละทิฏฐุปาทานเพราะว่าจะละทิฏฐุปาทานนะความเข้าใจผิดว่าจากขูนี้ใครสร้างจากขูใครสร้างก็ ว, ว่าจากขูนี้เกิดด้วยปัจจัย ก็คือปัจจัยของจักรครูคืออะไรเหมือนพ่อพ่อของจักรครูกรรมแม่ของเขาอ่ะตันหาวิชาวปาทานพี่เลี้ยงอาหารอะไรเป็นเครื่องแวดล้อมเครื่องแวดล้อมก็คือสีกลิ่นรสโอชาเป็นเครื่องแวดล้อมมีอะไรเป็นตัวอุปถัมมีอาหารเป็นตัวอุปถัมม์อะไรก็้ใช่ไหมมีอะไรเป็นตัวที่เรียกว่าอนุบาลชีวิตตินทรียเป็นตัวอนุบาล แล้วก็ยังมีมหาภูตารูปนั่นแหละอยู่ในนั้นอ่ะเป็นคนผู้เหมือนกับผู้สงสนานเขาบอกงั้นมหาภูตรูปนั้นอ่ะเป็นผู้สงสนานดูแลอย่างดีเลยความเข้าใจอันนี้เราควรเจริญให้มากๆอย่างน้อยที่สุดให้จําให้ได้กว่าทีนี้พอจําได้แล้วก็พิจารณาบ่อยๆถ้าพิจารณาไม่ออกนะทําใจให้สบายอย่างเดียวทีนี้ถ้าทําใจให้สบายนี่ทํำยังไงยังจะสบายคิดถึงสีสวยๆเนี่ยใจสบายัหมขนาดนั้น นึกถึงของชอบเลยนะมันไม่ไม่ไม่ส บ, บายนะมันตุกตับตุกตับก๋วยเตี๋ยวตลานนั้นอร่อยจริงเลยนะนึกอย่างงี้สบายใจไหมไม่ส บ, บายเลยนะต้องไปกินให้ได้อย่างงั้นเนี่ยเรียกว่าไม่ไม่ไม่ใช่ชื่อว่าทําใจให้สบายนะทําใจให้สบายก็คือสปายะนั่นเองอรารมณ์อะไรที่เป็นสปายะต่อกุศ ล, ลจิตก็เจริญกุศลนั้นๆให้กุศ ล, ลจิตเกิดแล้วก็มาพิจารณาเรื่องนี้ใหม่พิจารณาใหม่แค่ว่าช่วงไหนมือสั่นนะอย่าพิ่งร้อยเข็ม ให้มันให้มันหายสั่นหน่อยแล้วค่อยร้อยใหม่ถ้ามันแตกมากก็เอาน้ำเจือเจือหน่อยค่อยร้อยใหม่รีบได้ไหมไม่ได้แต่ชาอีกก็ไม่ใช่แฉเอกก็ไม่ใช่นะ mm hmm. ก็บอกว่าการเจริญกุศลธรรมเนี่ยก็ต้องมีการปรับตัวเขาจะเรียกว่าปรับอินทรีย์ต้องมีความสมดุลกันมีความสม่ําเสมอกันถ้าศรัทธาอ่อนไปก็แสดงว่าในขณะนั้นเนี่ยเราไม่ได้ทราบซึิงในคุณของพระธรรมนิรัย ไม่มีความเข้าใจในเรื่องกรรมจริงๆถ้าหากว่าความเพียรเราอ่อนไปเพราะขาดอะไรเพราะเราแสดงว่าเราไม่กลัวบายแล้วถ้าอ่อนความเพียรถ้าเราประมาทแสดงว่านิมิตของสเตยเนี่ยหายไปถ้าสมาธิไม่เกิดก็แสดงว่าสมาธินิมิตอ่อนไปถ้าปัญญาไม่เกิดก็เพราะขาดขาดการพิจารณาเพราะขาดการประกอบเฉะนั้นถ้าหากว่าเราศึกษาเข้าใจเพิบเราจะเริ่มหาปัจจัยของกุศลแต่ละตัวแต่ละตัวจริงอยู่ ในขณะกุศลและจิตเกิดนะผู้ที่ศึกษาที่ทำมาจะรู้ว่ามีศรัทธามีสติมีหิริมีโอต ป, ปะมีอะโลพามีปัญญามีอะไรเกิดเนี่ยแต่แต่และตัวเนี่ยมันไม่ได้มีอํานาจมากนะเกิดร่วมกันก็จริงแต่เขาไม่มีกําลังต้องอ บ, บรมขึ้นนะให้เขามีกําลังอ่ะค่อยๆไปเสริมเขาอนะอ่าพวกนี้เขาเรียกว่าทํางานเป็นทีมทาํางานเป็นทีมบางตัวเนี่มันอ่อนแอเราต้องไปบํารุงเป็นตัวตัวไป จนกว่าเขาจะสมัครสมานสามัคคีกันเขาเรียกว่ามัคคสัมังคีเขาจึงจะทํากิจประหารกิเลสได้แต่ถ้าเขาไม่ค่อยสมังคีกันเลยนะปัญญาบอกเฮ้ยอย่าไปศรัทธามากเลยไหยสมาธิก็บอกว่าเอ oh, ้สงบสงบหน่อยปัญญาก็บอกแหมเอานะานะวิริยะกราเถียงกันใหญ่เลยถ้าอย่างนี้แสดงว่ามีปัญหาปนะัญญแค่นี้ก็พอแนละ้วปัญญาบอกแค่นี้ก็พอไอ้ปัญญาจริงหรือเปล่าเนาะ <laughs> <laughs> ดูน่าจะเป็นโกสัศชาอ่ะนะ <laughs> หรืออวิชามันบอกกันอย่างนั้น ที่เขียนโกตะชะเข้ามากระติ๊บเลยบอกเอาไว้ก่อนเถอะออ่างนั้นถ้าเราปรับสุขภาพจิตไม่ได้ละมันก็พัฒนาอะไรไม่ได้เลยกุศลจิตมันก็ปรับตัวไม่ได้เมื่อเมื่อปรับความรู้สึกไม่ได้ปรับความคิดไม่ได้เนี่ยแสดงว่าเราอ่อนแล้วนี่ถ้าอ่อนขนาดนั้นทําอย่างไรเหตุปัจจัยภายในคือโยนิโสงเหตุปัจจัยภายนอกคือกัลยาณมิตรถ้าเราขาดอย่างใดอย่างหนึ่งก็แสดงว่าก็ก็เราเนี่ยน ะ, จะเจริญ สังเวกขวัตถุในตัวเองเออตายแน่มีความตายเป็นธรรมดาไม่หล่วงพน้นความตายไปได้ อ, อย่างนี้ก็ดีเอาพุทธพจน์ไปสักคำหนึ่งนะอย่างนี้นะเรามีกรรมเป็นของขอ ง, ของตอนไปตามกรรมของเรากันแล้วกันแล้วใครจะน่าสงสารที่สุดในโลกเนี่ยใครน่าสงสารที่สุดคนที่มีอกุศลเนาะน่าสงสารจริงๆเลยทีนี้ต่อยอหน่อยนะว่าเวทนาของการงดเว้นจากปาณปฏิบัติคือ คืรสุขเวทนาคำว่าสุขนี้ก็บอกว่าอุเบกขาเวทนาที่เกิดร่วมกับอกุศลเนี่ยกรเดียดไปทางทุกข์อุเบกขาเวทนาที่เกิดร่วมกับกุศลกระเดียดไปทางสุขเพราะฉะนั้นท่านก็เลยบอกว่าเป็นสุขเวทนาทั้งนั้นเพราะว่าอุเบกขาเวทนาสงเคราะห์เป็นสุขเรียกว่าเพราะไม่มีโทษใช่ไหมแต่ถ้าอุเบกขาเวทนาที่เกิดร่วมกับอกุศลเนี่ยเกระเดียดไปทาง ปฏิวิรโตปานาติปาตาปฏิวิรโตนี่ต่อไปน ะ, ะโดยมูลน่ะวิจัยโดยมูลว่ากุศลธรรมเหล่านี้ของผู้ที่งดเว้นด้วยจิตที่สัมปยุตด้วยยานมีมูลสามด้วยสา ม, มารถแห่งอโลภาอะโทสะอะโมหะของผู้ที่งดเว้นด้วยยา น, นสัมปยุตนะนะถ้าผู้ที่พิจารณาสมาทานงดเว้นจากปานาติบัตาหรือสัมปะตะ จากปานาติบาดด้วยยาณสัมปยุตก็มีมูลสามคืออะโลพาอะโทสะและอะโมหะนี้เป็นเ hey, หตุปัจจัยเห hey, ตุปัจจโยปัจจัยต่อไปอะไรอารามณะปัจจยโยเออแล้วอารามณปัจจัยของการวกดเว้นจากปานาธิบาัาได้แก่ได้แก่อะไรชีวิตติณสี อ, อ่แสดงว่าใช้ได้แล้วเรียกว่าเกียร์ถอยได้ก็ใช้ได้แล้วตีจะจะดูแต่ข้างหน้าไปเรื่อยๆนะถอยหลังไม่ได้ ยมเสียใช่ไหมพอได้ข้อเสียลืมข้อสองนี่ก็แย่หลือนะออพระธรรมนี่ไม่เหมือนศึกษาวิชาอื่นนะมันต้องถอยหลังได้เคยได้ยินนะอนุโลมปฏิโลมวิธีการแสดงปฏิจจสมุปบาทของพระผู้มีพระภาคสี่อย่างหนึ่งตั้งกระต้นไปจบสองตั้งกระจบมาต้นสามกลางขึ้นต้นสี่กลางไปท้ายต้องเที่ยทุกแ ง, งม่มุม ทั้งโดยลัคนาที่จตุกะโดยประเภทโดยปัจจัยเนี่ยรู้หมดและนั่นแหละการศึกษาพวกนี้ก็เหมือนกันเราต้องรีบไม่ได้เพราะว่าศึกษาพระธรรมนะั้นศึกษาด้วยกุศลจิตถ้าไม่ถามก็จำได้นะเราใช้ปฏิภาณดูถ้าเกิดไปไปหาเพื่อนเพื่อนแนละ้วเขาถามเนี่ยจะเล่าให้เขาฟังได้ยังไงฮะก็บอกบางท่านก็บอกถ้าไม่เห็นหน้าอาจารย์ก็ตอบไม่ยากแล้วก็งั้นต่อไปนะว่าโดยกรรมอ่ะนะ โดยกรรมก็คือการงดเว้นจากมุสาวาทเป็นวจีกรรมนะคือคือเอาในกรรมบททั้งหมดที่พูดนะนะส่วนปาณาติบาตอธินาทานการเมสุมิชฉาจารพวกนี้เป็นกายกรรมก็คือไอคำว่าที่เหลือตรงนี้ก็คือท่านพูดแบบสี่ห้านะคัมภีร์นี้บางบางแห่งคัดมาจากแบบศีลห้าแต่ว่าปานาติบาตเป็นกายกรรมทีนี้โดยการสมาทาน ผู้ไม่ได้รับการสมาทานนั้นในสำนักผู้ที่เป็นครุฐานิยบุคคลก็คือสมาทานด้วยตนเองคือสมาทานด้วยตัวเองก็ได้สมาทานด้วยกับผู้ที่เราเคารพบก็ได้ ah called, ครุฐานิยก็คือครุนี่แปลว่าหนักในบุคคลที่เราเคารพบเรียกว่าคนที่เราหนักเรียกว่าครูสมาทานกับคนที่เราเคารพ บ, บก็ได้หรือสมาทานเองก็ได้ เป็นเอ ก, กัตช่าเนี่ยก็คือสมาทานรวมเหมือนกันหรือปัจเจกะก็คือสมาทานเป็นข้อๆก็ย่อมเป็นอันสมาทานแลว้วโดยการขาดนะโดยการขาดศีลข้อนี้ก็คือสําหรับเครหัส่าทั้งหลายสิกขาบทใดที่ล่วงเกินแล้วจะขาดเฉพาะสิกขาบทนั้นเฉพาะข้อๆไปส่วนสิกขาบทนอกนี้ไม่ขาดถามว่าทำไมอย่างนั้นอ่ะเพราะว่าเครือข่ายทั้งหลายมีศีนไม่เกี่ยวเนื่องกัน ก็คือสมาทานเป็นข้อขอไปรับเฉพาะศีขาบทที่สา ม, มารถรักษาได้เท่านั้นส่วนบันปะชิตแม้ล่วงละเมิดศีขาบทเดียวก็ขาดทั้งหมดอันนี้เนะสํสำหรับสมัมมณเณรถ้าถ้าเป็นเณรเน้อยเนี่ยนะตบยุงทีเดียวเนี่ยร่วงเลยเหลือแต่ผ้าประราชิกนะเณรเนี่ยศีลหนึ่งถึงห้าเนี่ ย, ยถือว่าเป็นประราชิกของสมัมมณเณรถ้าหากว่าไม่สมาทานศีล ก, ก, ก็ลำบากแล้ว ทีนี้ต่อไปว่าอันนี้สองของการรักษาศีลนี่คงเป็นวันต่ต่อไปนะอันนี้สองดูนะว่าโหถ้าสมาทานศีลข้อหนึ่งรักษาดีๆ ด, ด้วยกุศลเจตนาเนี่ยพึงหวังผลอะไรได้บ้างไหมเนี่ตั้งยี่สิบสองข้อแต่ท่านบอกว่าเป็นต้นนะยังมีข้ออื่นๆ อ, อีกมากอะันนี้สองเอาเถอะกุศลแจิตเนี่ยดีจริงๆเลยพอองศ์สอนว่าอนุบุพิกาถาก็คือการแสดงทำตามลําดับ นะว่าขึ้นต้นด้วยไทม์ใช่ไหมแล้วก็ต่อด้วยศีลศีลเ น, นี่ยเป็นเหมือนอะไรอุปมาศีลเหมือนกับถ้าคนข้ามฟากอาศัยอะไร เ, เรือนะถ้าเดินทางอาศัยรถถ้าร้อนอาศัยความเย็น <laughs> <laughs> เพราะฉะนั้นอ่าเขาบอกศีลเ น, นี่ยเป็นเหมือนกับเครื่องบรรเทาภัยเกือบทุกชนิดเลยสําหรับคนเดินทางไปก็เป็นเหมือนกับสเบียงนะ จะเดินทางไกลเนี่ยสีนเนี่ยเป็นเหมือนกับสเสบียงนะเป็นที่พึ่งใช่ไหมผู้การว่าไงเนี่ยสูตรที่ว่าวันก่อนเมือม่อเช้าก็ยังพูดเลยผู้เท่าล่วงการผ่านวัยอายุร้อยี่สิบขวบเข้าไปถามพระผู้มีพระภาคใช่ไมถามว่าไงว่าโอ้ยข้าพระองค์นี่มาบัดนี้แล้วก็อายุร้อยี่สิบปีแล้วบุญกุศลที่จะทำเป็นที่ต้านที่พักพิงที่อาศัยในภพหน้าก็ยังไม่มีมาถามข้อปฏิบัติกับพระพุทธเจ้านะ อยู่ร้อยยี่สิปีแล้วอ่ะเรียกว่าความดียังไม่ได้ทําเลยจะตายอยู่ร่มร่อรมย อ, อ, อยู่แล้วทํำยังไงดีพระพุทธเจ้าว่าไงบอกว่าให้สํารวมทางกายสํารวมทางหัวาจาและก็ความสํารวมทางใจก็คือประเภทสังวรสังวรมีกี่อยา่างสังวรห้าอย่างหนึ่งปฏิโมกสังวรหรือเรียกว่าศีลสังวรสองสติสังวรสาม ยานะสังวรสี่ขันติสังวรแล้วก็วิริยะสังวรพวกสังวรเหล่านี้นี่แหละเป็นสเบียงเป็นที่พึ่งในภพหน้าอินทรีสังวรก็อยู่ในสติสังวรไงคือถ้าพูดแบบตัวอารมณ์ก็ได้แก่ตาหูจมูกเล่นกายใจใช่หมพวกนี้เรียกว่าพูดโดยอินทรีแต่ถ้าตัวที่เป็นตัวสังวรจริงๆได้แก่สติสติเป็นเป็นตัวสังวร สังวรด้วยปัญญาก็พิจารณานั่นเองพิจารณาอย่างไรจึงจะชื่อว่าเป็นญาณสังวรพิจารณาว่าสัพเทสังขารานิจาาสัพเทสังขาราทุ ข, ขาสัพเทธรรมานาตตาเป็นต้นนั่นเองอวิชามีเพราะอะไรเป็นปัจจัยอวิชามีเพราะอาสวะเป็นปัจจัยสังขารมีเพราะอวิชาเป็นปัจจัยการพิจารณาอย่างนี้ก็เป็นลักษณะของญาณสังวรด้วยพิจารณาบ่อยๆอวิชา เป็นปัจจัยแก่สังขารกี่ปัจจัยมันเสารหน้าไดเรียนแน่ฮะสังขารไหน <c oughs> โอ้เวลาหมดแล้วครับท่านจะมีปัญหาอะไรไหมครับแถมท้ายถามหน่อยเถอะครับทุสานัสโสดุสานัสโสก็คือเป็นคำอุทานของสัตว์นรกสี่ตัวนะทุก็คือมาจากว่าเราเนี่ยชั่วนะอะเป็นคำอุทานเนี่ยในในคาถาซึ่งจําได้ไม่หมด อยู่ในคาถาธรรมบทเรื่องบุรุษคนใดคนหนึ่งในคาถาธรรมบททุเนี่ยโดยศัพท์แล้วว่าชั่วโดยศัพท์เฉยๆเนี่ยแต่ว่าคํานี้มันมีต่ออีกตั้งสองบรรทัดมีต่ออีกแต่ว่าเป็นหัวข้อคาถาเฉยๆในเรื่องบุรุษคนใดคนหนึ่งในคาถาธรรมบทมีมีกล่าวเรื่องทูษาณโสแล้วก็ในคัมภี์เปตแต่ว่าถุก็มีกล่าวไว้มีมีอยู่สองแห่งสามารถค้นได้นะวันนี้ก็คงใช้เวลาเท่านี้